นสัส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจ้าค่ะเป็นเรื่องอหนูโดนที่คนยักยอกทรัพย์ของหนูคือเป็นตัวแทนขายประกันเจ้าค่ะสิ่งแรกที่หนูจะถามคือว่าตอนแรกะ ม, ม, ม, มันมีเรียนสองด้านพอรู้ว่าเขาโกงหนูโทรไปเช็คแล้วหนูก็มีด้านหนึ่งหนูโกรธก่อนเลยค่ะแล้วพร้อมที่จะจับเขา แต่อีกด้านนึงก็บอกว่าหนูไม่อยากผูกกรรมเจ้าค่ะแล้วหนูก็เลือกที่จะไม่ผูกกรรมเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูทำถูกใช่ไหมคะถูกแล้วแล่ะ แล้วเรื่องที่สองคือสิ่งที่หนูไม่ผูกกรรมก็จริงแต่หนูใช้เวลาตั้งเจ็ดวันเงินก้อนเนี้ยที่จะทําให้มันรู้สึกดีขึ้นเจ้าค่ะทําไมหนูถึงใช้เวลาตั้งนานทั้งทั้งที่ทหนูก็ทําบุญทุกวันอยู่แล้วเอเพราะหนูยังอยากจะได้คืนเนี่ยถ้าอยากได้คืนใจมันก็ยังไม่สบายใจพอมันความอยากได้คืนมันเบาลงมันก็ค่อยๆจางหายไป ท่าถ้าเราอยากจะให้มันหายทันทีแล้วต้องถือว่าเงินนี้ไม่ใช่เป็นของเราเอ uh, เรายังไปยึดไปถือว่ามันเป็นของเราความจริงมันไม่เป็นของเราแล้วมันเป็นของคนอื่นไปแล้วถ้าเป็นของเรามันก็ต้องอยู่ในกระเป๋าเรานี คือใช่เจ้าค่ะแต่มันเป็นเหตุที่ว่าจริงๆแล้วหนูก็เลือกที่อาชีพว่าสมัยก่อนหนูก็จะทําอาชีพที่ว่าปล่อยเงินตอนนี้หนูก็เลิกเลิกทํามาเป็นอาชีพเป็นแมค่ค้าแต่ไอ้เงินก้อนนี้ยหนูไม่ได้มันไม่ได้มาจากการฟาร์มโลบของตัวเองแต่มันเป็นการยากักยอกที่หนูก็ไม่ได้ตั้งใจมันคือเขาหนูทําประกันชีวิตนะเจ้าค่ะแต่เขาโกงหนูแต่หนูก็ให้ทางบริษัทจัดการนะเจ้าค่ะอ แล้วทำไมนะแต่แต่คือว่าแต่วันนั้นน่ะคือหนูจริงจริงหนูจะจับเขาในวันนั้นก็ได้แต่หนูไม่มไมเลือกที่จะทําเออก็ดีแล้วนี่ใช่ไหมคะอ่ะแต่เจ็ดวันที่ผ่านมามันมันไม่ใช่ไงคะเพราะมันยังไม่มันยังไม่ยอมจริงไมันยอมไปครึ่งหนึ่งเพิ่มยอมยอ ม, ยอมไม่ไปดําเนินการอะไรแต่ใจยังเสียดายยังยังอยากได้คืนอยู่อืก็บอกว่ามัน ไม่คิดว่าอ้ยอยเขาปากช้างแล้วไม่คิดอย่างงี้เจ้าค่ะใช่ไหมอ้ยอยเขาปากช้างแล้วก็ไปไปเรามีกําลังไปไปเอาอจากท้องช้างมาได้เปล่าก็ต้องร้อยมันขี้นะก็ไปแล้วมันไปแล้วเราไปยังไปยึดไปติดมันอยู่มันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้ว ถ้ามันก็เหมือนฝันลายฝันไปแล้วมเมื่อคยนนี้ฝันลายไปแล้วเกิดขึ้นมามันก็หายไปหมดแล้วคอืแต่เรายังไม่ยอมแล้วยังไม่กลับมาอยู่ปัจจุบันเรายังไปอยู่ในอดีต ท, ที่ถึงเงินก้อนนั้นอยู่อนแสดงว่าไม่มีปัญญาการทาบุญอย่างเดียวไม่พอหรอกทําบุญนี่มันเพียงแต่อสอนให้เราตัด ตัในส่วนที่เรายินดีจะตัดะแต่ส่วนที่เรายังไม่ยินดีเรายังตัดไม่ได้อพอมันเสียมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเราต้องเสียหมดอะไม่เสียตอนเป็นก็เสียตอนตายอในตอนนี้เสียตอนเป็นเลยไม่สบายใจเดี๋ยวตายก็เสียอยู่ดีไม่ใช่หรืองอนก้อนเนี่ย ถ้า <Okay. S 2> เกิดเราตายเย็นนี้วันนี้เงินก้อนนี้เรามันก็มันก็เสียไปแล้วนอกจากเงินก้อนนี้แล้วเงินที่มีเหลือแล้วอยู่ขณะนี้ทั้งหมดก็เสียหมดอ่าแ <Okay. S 2> ม้แต่แม้ว่าแต่งเงินทองเลูกลู ก, ลกสามีก็ต้องเสียต้องทิ้งไปหมด <Okay. S 2> จากร่างกายเราก็ต้องเสียหมดค <Okay. S 2> แล้วมีอะไรติดตัวไปได้ไม่มีอ <Okay. S 2> เราไม่มีปัญญาไม่มันพิจารณาอยู่เรื่อย ลืมฟังแล้วลืมฟังว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา เ, เวลาฟังว่ารู้เข้าใจแต่พอไม่ไปคิดมันก็เลยลืมมันกลับไปคิดใหม่ว่าเป็นของเรามันเที่ยงใช่ไหมเราเถือว่าเงินนั้นเป็นของเราเปล่าตอนนี้เราไม่ใช่แล้วค่ะ ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ทุกข์ตอนนี้ก็อาการก็เริ่มดีขึ้นนะเจ่าคะ่ะค่อยๆคือสวดมนต์บ้างเวลาถ้าเป็นคิดตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเพราะมันเวลามันผ่านไปหนูก็พยายามยุติธรรมะที่พระอาจารย์สอนว่าหนูก็พยายามคิดว่าวันนี้ฉันสอบตกวันนี้ทําไมฉันขึ้นมาฟังธรรมะบนเขาตั้งเกือบสองปีพอเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นทําไ ม, มยังทุกข์อยู่อีกพราะไม่ค่อยทําการบ้านไง ไม่ไม่ขยันทำการบ้านเนี่ยที่มาฟังนี่เป็นการมาเข้าห้องเรียนพ อ, อ, อกลับไปบ้านก็ต้องทำการบ้านต่ อ, อเอาเรื่องที่เราได้เรียนนี้ได้ยินได้ฟังนี้ไปคิดอยู่เรื่อยไปพิจารณาอยู่บ่อยบ่อยเนี่ตอนนี้มันเป็นบทเรียนแล้วนี่ต้องกลับไปคิดเพราะมันมีของต้องเสียเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเงินทองบ้านช่องอาจจะถูกเข้ามาไล่ก็ได้ หรืออะไรก็ตามมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเราถึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าก่อนอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เสมอไม่มีใครรู้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเสียอะไรหรือไม่รู้จะได้อะไรได้มาก็อย่าดีใจได้มาก็อยคิดว่าได้มาเพื่อเสียเพราะไม่ว่าเราได้อะไรมาเดี๋ยวเราก็ต้องเสียมันไป เสียตอนเป็นหรือเสียตอนตายเท่า น, นั้นเองเอ็นพยายามคิดเดี๋ยวนี้ของต่างๆทรัพสมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆไม่ว่าสามีไม่ว่าบุตรไม่ว่าธิดาไม่ว่าอะไรทั้งหลายที่เรามีอยู่ที่เราถือว่าเป็นของเรานะ่ยสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นมันจะมันจะไม่เป็นของเราไป ก็เส่าว่าเราโชคดีเราได้เจอข้อสอบถูกถูกไม่กี่ตังค์คนเรามันต้อง เ, อเนี่ยที่ที่คนมานั่งสมาธิแล้วมาเล่าว่านั่งเราเห็นเกิดดับเกิดดับโอ้เห็นอย่างนั้นมันไม่มีปัญหาหรอกเกิดดับเกิดดับเงี้ยมันต้องเห็นแบบนี้สิห้าพันมันดับเนี่ยเป็นยังไงเออ เห็นเรายังเฉยๆได้เปล่าที่เขาให้เห็นเกิดดับเกิดดับก็ให้รู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับแล้วอย่าอย่าไปยุ่งกับมันไปห้ามมันไม่ได้เนีงานเกิดดับเกิดดับเนี่ยเวลาเกิดนี่โอ้โตาลุกวาวเวลาดับนี่โอ้หน้ําตาหลัง่งเเพราะว่าไม่เห็นว่ามันต้องเกิดต้องดับเห็นว่าเกิดอย่างเดียวแล้วต้องอยู่กับเราอย่างเดียวจากเราไปไม่ได้ ถ้าจากไปก็จากไปเพื่อให้กลับมาเยอะกว่าเก่าเนี่ยเช่นปล่อยกู้เงี้ยให้เขาไปปล่อยกู้คิดว่าจะได้กลับมากกว่าเดิมกลับหมดเลยโลภมากมักลาบหายีย่คิดดูให้คิดอย่างนี้นะคิดว่าทุกอย่างมีเกิดมีดับแต่อย่าไปดูเกิดดับเนีย่ยบางแห่งเ้าสอนให้ดูเวทนาเกิดดับนั่งดูว่ามัน เวทนาวิ่งไปรอบร่างกายไปดูมันทำไมมันไม่มีมันไม่มีผลกระทบต่อจิตใจเราให้ดูกับสิ่งที่มันมีผลกระทบกับจิตใจเราคือของอะไรที่เราลักเราห่วงเราห่วงนั่นอะ่ะของนั้นแหละมันจะกระทบกระเทือนใจเราของเหล่นั้นเราต้องคอยหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันจะต้องจากเราไปไม่มันไม่จากเราเราก็ต้องจากมัน เพราะว่าเรามาอยู่ในโลกนี้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองร่างกายที่เราอาศัยเป็นเครื่องมือมาอยู่ในโลกนี้มันอยู่ได้ไม่นานแปดสิบปีเก้าสิบปีมันก็หมดสภาพไปแล้วของอะไรต่างๆที่เราหามาได้แทบเป็นแทบตายนี้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดนี่คือความจริงอ เวลาฟังทรมันก็ฟังเข้าใจว่าอ๋อไม่เที่ยงแต่เวลาจะทำใจให้มันรับกับความจริงนี่มันกิเลสมันไม่ยอมให้เรารับกิเลสมันยังหวงยังเสียดายยังอยากเก็บเอาไว้อยู่ถ้าเราทำบุญใส่บาตรทุกวันเราต้องคิดว่าเป็นเงินใส่บาตรไปก็จบเเงินใส่บาตรมา ก, กี่พันแล้วเนี่ยหลายวันอ่า วันหนึ่งอ่าวันละร้อยปีหนึ่งปีก็เป็นสามหมื่นกว่าแลนะไม่เห็นเสียดายอ่ะเพราะเรายินดีที่จะเสียก้อยห้าพันนี้ก็คิดว่าเป็นเงินทําบุญไปก็แล้วกันออาพออ่าก็พอคิดว่าเป็นเงินทําบุญแล้วก็สบายใจมีความสุขเอเขาเดือดร้อนเขาต้องการเงินนี้ก็ให้เขาไปเหมือนกับเราใส่บาทเพราะเราคิดว่าพระเดือดร้อน พระต้องการอาหารล้วก็ให้อาหารพระไปมันก็เหมือนกันมันก็เป็นการเสียสละเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่ายินดีที่เสียหรือไม่ยินดีที่เสียเนี่ยถ้ายินดีที่เสียแล้วมีความสุขถ้าไม่ยินดีที่จะเสียนี่มีความทุกข์เฮ้นเราต้องรีบปรับใจทันทีพอรู้ว่าเงินก้อนนี้ไปแล้วว่าโอ้ยินต้องเปลี่ยนใจถือว่าเป็นการทาบุญไป และคนที่เคยทำบุญจะทำใจได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญนี่ถ้าเราไม่เคยใส่บาตรทุกวันนี้ถ้าเสียเงินไม่อย่าว่าแต่ห้าพันเลยเสียแต่ห้าสิบบาทก็จะโกรธอย่างไม่มีเ mm hmm. พราะไม่ยอมเสียนี่เรายังไม่ไมโกรธมากเรายังไม่ถึงกับไปไปล้างแค้นไปทำอะไร เราก็เพียงแต่มาสู้กิเลส ข, ของเราที่มันยังไม่ยอมเสียอนั้นถือว่านี่เป็นบทเรียนนะนที่ก็สอบกรรมฐานเนี่ยสอบอย่างนี้ให้สอบไม่ใช่มานั่งคุยกับหลวงพ่อหลวงตาแล้วมาสอบกรรมฐานออ่นี้ไม่ได้สอบหรอกสอบเวลาสอบก็คือเวลา เจออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วผ่านหรือไม่ผ่านเอถ้าถ้าจะสอบนี่หลวงพ่อหลวงตาเขาไม่บอกว่าจะสอบเขาเขาจะสอบเราอถ้าเขาบอกเราก็เตรียมตัวทำข้อสอบไว้ก่อนเหมือนครูเนี้ยถ้าครูบอกว่าพรุ่งนี้สอบน ะ, ะเดี๋ยวคืนนี้ก็ดูหนังสือกันไปหมดเลยเอ ครูสมัยก่อนนี่เขาจะมีสอบแบบไม่บอกล่วงหน้าอ่าวันนี้สอบอเตรียมตัวมาหรือเปล่าไม่ใครเตรียมตัวมาก็ทาได้ใครไม่เตรียมตัวก็ทาไม่ได้สมัยนี้เขามีบอกวันล่วงหน้าไว้ก่อนอยังถ้ายังไม่ถึงวันก็ยังไม่ต้องเตรียมตัวเล่นก่อนเที่ยวก่อนก็ได้แล้วเวลาใกล้จะสอบแล้วค่อยมาเตรียมตัวจะ ข้อสอบขวกเรามันเป็นข้อสอบธรรมชาติมันไม่บอกเราล่วงหน้าเหตการต่างๆที่จะเกิดนี่มันไม่มาบอกก่อนว่ามันจะเกิดวันที่เท่านั้นเวลานี้นะมันเกิดได้ทุกเวลานาทีอย่างไม่คาดฝันอย่างนิทานตลกเนี่ยที่หลวงปู่หลวงตาท่านสอบอารมณ์ของลูกศิษย์นะ ลูกศิษย์เป็นพ ok, mm. วกคุณหญิงคุณนายมาฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่แล้วก็บอกโอ้ยฟ mm. <h> ังแล้วกิเลสมันหายไปหมดเลยหลวงปู่หลวงปู alk, e ่บอกอีต่อแหละเท่านั้นกิเลสกลับมาเข้าใจัหย เอเวลาก็สอบก็ไม่เขาไม่บอกถ้าบอกมันก็ตั้งตัวรับไว้ก่อนแล้วเหมือนนักมวยถ้าถ้าถ้ารูจะชกตรงนี้มันก็เตรียมตัวกันไว้ก่อนแล้วเขาไม่ไปชกตรงที่เราคอยกันไว้หรอกเขาจะหาช่องที่เราไม่ไม่ไม่กันไว้เขาจะไปหาช่องนั้นเออะกิเลสมันจะเอาเราตอนที่เราเผลอเข้าใจไหม ตอนที่เราตั้งใจเตรียมใจนี้มันไม่มาหรอกตอนใส่บาตรนี่มันไม่มาหรอกเพราะมันรู้ว่าเราเราเตรียมรับกับมันนะกิเลสบอกอย่าใส่หัวงี่กูจะใส่อย่างเดียวใช่ไหมแต่พอเข้ามาเอาเงินของเราไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจจะให้เขาไปนี่อตอนนั้นกิเลสมันออกมาเลยวใช่ไหมกินไม่ได้ น, นอนไม่หลับต้องเจ็ดวันเท่านี้เนี่ยไม่ไม่หลวงพ่อไม่ใช่ ที่เจ็ดวันนี้คือสู้กับกิเลสตัวเองนั่นหละสิก็นั่นแหละคือคือว่าหนูพยายามว่าอยอ่<ม>อางเงี้ยพยายามให้ลืมก็มันแล้วภาพผู้หญิงว่นนั้นที่เอาเงินก็หายไปวันที่สามก็หายพยายามมันหายไปโล เ, เล่เลยมันมาทำามโกรธเลยฮะ นั่นแหละรู้กันไหว่าจิตเวลามันพยศเป็นยังไงเหมือนม้าพยศเนี่ยถ้าเราไม่เคยซ้อมไว้ก่อนถ้าเราไม่เคยปราบเป็นก่อนจะปราบเป็นยากแต่ถ้าเราเคยปราบมาแล้วพอมันจะพยศเนี่ยแล้วเพียงแต่กระตกแป๊บเดียวกระตกเชือกปั๊บมันก็หยุดแล้วกระตุกบังเหียนเนี่ยนะฉะนั้นต้องฝึกอย่าประมาเนี่ยพระตถาจารย์บอกว่าอย่าประมาทนียต้องหมันพิจารณาอยู่เนือง ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีมาแล้วก็ต้องมีไปมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเรามาตัวเปล่าเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่าเปล่าหาอะไรได้มาในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศชลเสริญไม่ว่าเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย หรือเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปหมดมีอันเดียวที่ไม่ไปก็คือความสงบนี่แหละความสุขที่เกิดจากความสงบนี่ให้มาหาตัวนี้ดีกว่าหาตัวนี้แล้วจะไม่มีวันเสียใจมีคาถามหรื อ, อถามเลยถามว่าเออช่วยเอาเอาไม้ใกล้ๆปากน ะ, อะเอาเอาโอเคได้ยินน ะ, ะช่วงนี้ค่ะแต่ก็เป็นมาหลายเดือนแล้วค่ะ คือตั้งใจจะจะนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแต่พอที่จะเข้าไปห้องพักเนี่ยมีความรู้สึกขี้เกียจมากกิเลสยังไงขี้เกียจก็กิเลสนะฮะแล้วมีหนทางไหมคะข่ามันเสียก็อย่าไปาเชือ่อก็ทําทไปเลยก็บังคับแล้วฝืนใจใชฝืนใจต้องทําไปเออถ้ามันขี้เกียจต้องทำสองเท่าเนะดัดนิสัยมันซะหน่อย ตอนคิดตอนต้นคิดว่าจะนั่งชั่วโมงนึงมันขี้เกียจก็เลยน้องนั่งสองชั่วโมงต่อไปมันก็จะไม่กล้าขี้เกียจนะไม่ไม่ได้เป็นเพรามารอะไรที่ไหนก็มานี่แหละมารก็คือกิเลสเขาเรียกกิเลสมารอธิบายไหมความเกียดค้า่นนี่แหละเป็นตัวนิบบุปผสัก ข, ขวางกาั้นการปฏิบัติแล้วระหว่างที่เรานั่งไปนะครับปุ๊บจะทํำไง handheld? คือให้เราเหลืออารมณ์อารมณ์เดียว <ฮะ S 1> แต่พอพอเรากําหนดไปปื้อพออารมณ์อารมณ์เดียวะคะ่ะแล้วพอมันนิ่งไปเลยแล้วเราจะจะทำยังไงต่อคะก็ให้มันนิ่งไปนานๆเ น, นี่ยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องดึงอารมณ์กลับมาพูดถึไม่ให้มันนิง่งนั่งเพื่อให้มันนิ่งให้เป็นอารมณ์เดียวนานถ้าจะลงในภาวะก็ปล่อยไปหรอคะคือภาวะถ้าภาวะหลับก็ก็ต้องลุกขึ้นมาถ้าไม่แตถ้าเป็นภาวะสงบภาวะรู้ก็ไม่ต้องก็ยให้รู้ไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามันนิ่งไปตื๊ดก็ต้องปล่อยไปก็แล้วแต่มันนิ่งแบบนั้นนิ่งแบบแบบรู้ตัวนิ่งแบบเหมือนยังไม่หดจะหลับในอย่างเงี้ยังก็หลับในหลับในนิ่งแบบนั้นก็ไม่ดีอ๋อไม่ดีอ่ต้องนิ่งแบบรู้ตัวแบบคุยกันอยู่อย่างเงี้ยยังรู้ตัวอยู่อจิตนิ่งสบายมีความสุขถ้ามันนิ่งสงบจริงๆมันมหัศจรรย์อ่ถ้านิ่งแบบอาไม่รู้เรื่องรู้ราวนิ่งมานิ่งนิ่งหลับอืม นั่งอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นการนั่งสมาธิเป็นการนั่งหลับคือตอนนี้ปัญหาของของของหนูนะคะคือเราจะเข้าห้องพัะแล้วจะนั่งสมาธิมันมิดมันมีพลังเยอะเลยคะ่ะใช่พลังที่แบบไม่ให้นั่งไม่ให้นั่งะะก็ก<ต>ิเลสมันไม่ยอมมันมันอยากไปดูอยากไปฟังอยากไปทําอะไรต่างๆอพอจะมานั่งเฉยๆมันก็เลยมันก็เลยต่อสู้ต่อต้านอ อ่ะเอาใหมา่ขึ้นไปดังนนต้องพยายามฝึกสติให้มากมากก่อนพุโทโธให้มากๆเวลาพอมันเริ่มขี้เกียจก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเลยความจริงถ้าเรามาเริ่มตอนนั้นมันก็ไม่ทันแล้วล่ะเราต้องหัดพุดโทโธไปทั้งวันเลยถ้าพุโทโธไปทั้งวันแล้วมันกิเลสมันจะอ่อนกําลังมันจะไม่มาต้านไม่ได้เลยกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะสืบเนื่องจากคำถามแรกเรื่องเงิน โกงไปเหมือนกัน่ะก็เป็นหลายล้านแต่ก็ลืมไปแล้วมาวันนี้คุณเอพูดขึ้นมาก็เลยนึกขึ้นได้อย่างงั้นเรียกเราลืมหรือว่าเราให้อภัยค่ะเป็นสิบปีแล้วฮะเขารวยด้วย่ะฟาจาร์ของชิดค่ะก็ทั้งสองอย่างถ้าไม่ให้อภัยก็คงจะต้องไปเอาคืนก็คงต้องไปล้างแค้นฟันต่อฟันตาต่อตาแตถ้าเราไม่เปทาอะไร ก็แสดงว่าเราให้อภัยแต่ถ้าคิดถึงเขายังโกรธอยู่ก็ยังไม่ได้ให้อภัยเต็มที่ต้องเหมือนกับว่าไม่รู้ไม่ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเอเมนบางทีมันอาจจะให้อภัยเพราะมันลืมก็ได้แต่พอเจอหน้ากันมันก็โกรธขึ้นมาใหม่อย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ให้อภัยถ้าให้อภัยแล้วมันจะไม่มีความรู้สึก ไม่ดีต่อบุคคล น, นั้นอีกต่อไปขอบพระคุณค่ะดังนั้นเราต้องพยายามฝึกสติให้มากๆเพราะตัวที่มันไม่ยอมก็คือตัวที่กิเล ส, สกิเลสที่มันไม่ยอมเพราะเราไม่มีสติทําให้มันยอมถ้าเรามีสติแล้วมันจะต้องยอมเออเนเวลาที่เราคิดไม่ดีเออ โกรธอะไรทํานองนี้เราก็ต้องหยุดมันด้วยพุโทโธก่อนถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้พุโทโธไปก่อนอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธแล้วเดี๋ยวมันก็จะลืมไปหายไปจากใจเราใจเราก็จะกลับมาเป็นปกติเย็นสบายแล้วตอนนั้นเราอาจจะใช้ปัญญาคิดว่าเงินมันก็ไปแล้ว เมืนเอนอ้เข้าปากช้างแล้วจะไปเหนื่อยกับมันทำไมเดี๋ยวถ้ามันจะมามันกลับมาเดี๋ยวมันมาเองถ้ามันเป็นของเราจริงเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาหาเราถ้ามันไม่เป็นของเรา ก, ก็มันก็จะไม่กลับมาเหรือเราก็คิดว่าคิดว่าเป็นเงินทำบุญก็แล้วกันดีซะอีกเราไม่ต้องไปเสียเวลาตื่นเช้าใส่บาตรให้เหน็ดให้เหนื่อย นี่มีคนมารับไปเหมือนี้เวลาขาโมยขึ้นบ้านเนี้ยถ้าเราเป็นคนชอบเคยทําบุญชอบทําบุญแล้วก็คิดว่าอ่าเขามาขอบุญอเอขามาขอของที่เขาขาดแคลนเขาอยากได้ก็ให้เขาไปอดีเสกไม่ต้องขนไปที่วัดให้เหนื่อยยากเอราดีเสกจะได้ซื้อของใหม่มาใช้เพราะเรามีเงินเราเป็นเสี ย, ดยได้ทำไม ของเก่าดทีที่เราใช้ของเก่าเพราะเราเป็นคนประหยัดเราเป็นคนสันโดษคือไม่ฟุ่มเฟือยนี่เทวดามาโปรดให้เราได้ใช้ของใหม่ถ้าเราไม่เสียของเก่าไปเราก็จะไม่ได้ซื้อของใหม่มาใช้เพราะของเก่ามันยังใช้ได้อยู่คิดอย่างนี้ก็กลายเป็น เ, เป็นความสุขขึ้นมาใช ให้คิดอย่างนี้นะว่าการสูญเสียนี่เป็นการทําบุญนะเป็นการได้ของใหม่ถ้าของเก่าไม่เสียเราก็จะไม่ซื้อของใหม่ใช่ไหมว่าเราเสียได้ของเก่าแต่เมื่อของเก่าถูกเข้าออไปแล้วเราก็จําเป็นจะต้องซื้อของใหม่เราก็ได้ของใหม่มาใช้ดีกว่าของเก่าเดีกว่าเก็บเงินทองวางไว้เฉยๆแล้วไม่ไม่ได้ใช้อะไระอตายไปก็ออกไปไม่ได้เออนให้คิด ในในมุมมองที่ดีได้ทุกอย่างมันมีสองด้านให้เรามองมองแล้วทุกข์ก็ได้มองแล้วสุขก็ได้ดูพระพุทธเจ้าท่านมีอะไรท่านเสียหมดเห็นไหมเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านสะละราชสมบัติเนี่ยเราสละแค่ห้าพันบาทนี่ถ้าเป็นแทบตายแล้วท่านสะละราชสมบัติปราสาทสามดูดูท่านสะละยังไงเออ เราอยากจะเป็นลูกศิษย์ท่านเราก็ต้องเอาท่านมาเป็นคติเตือนใจสอนใจกับไอเงินแค่นี้แล้วกับท่านนี่ท่านเสียมากมายขนาดไหนแต่การเสียของท่านกลับเป็นการกรําไรเพราะเมื่อเสียของเก่ามันก็จะได้ของใหม่จากเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ดีกว่าเลยใช่ไมมันต้องเสียของเก่าถึงจะได้ของใหม่ เช่นกาแฟถ้วยเก่ามันจืดแล้วมันชืดแล้วมันเย็นแล้วอยากจะกินถ้วยใหม่ทำไงก็ต้องเทถ้วยเก่าทิ้งไปก่อนฮะถ้าไม่เทก็ใส่ของใหม่ไม่ได้จะกินของเก่าก็ไม่อร่อยจะทำไงก็โยนทิ้งไปเลยเททิ้งทำนี่เป็นการเสียกับเป็นประโยชน์เพราะจะได้ของใหม่ที่ดีกว่าของเก่านะให้คิดอย่างนี้ เวลาเราเสียไปนี่เราได้ของใหม่ทันทีแล้วรู้เปล่าคืออะไรรู้ปล่าของของใหม่ที่เราได้คือความว่างเนี่ยความไม่มี <c oughs> ความไม่มีเนี่ยมันดีความมีรู้เปล่าพวามไม่มีแล้วมันไม่ต้องทุกข์ อ, อ่ะเบาเลยเ ร, เราได้ของดีเราเสียของไม่ดีไปเราได้ของดีรู้เปล่ามีงานแล้วก็ต้อง หนักอกหนักใจหือเปล่าต้องหวงมันหรเปล่าต้องห่วงมันหรือเปล่าต้องกังวลหรือเปล่าแล้วพอมันเสียไปนี่มันเบาเลยสบายเลยไม่มีอะไรต้องหวงไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรต้องกังวลเนี่ยนี่แหละคือนิพพานหรือเปล่านิบานังปรามังสุญญ์นิพพานคือความว่างใจที่อยู่กับความว่างเนี่ยมีความสุขมากเพราะไม่มีอะไรจะให้ทุกข์ถ้ามีแล้วมันต้องทุกข์ ไม่ว่าจะมีอะไรมันต้องทุกกับสิ่งที่มีเสมอเพราะสิ่งที่มีมันไม่เที่ยงมันจะต้องเป็นของคนอื่นไปหรือมันจะอยู่กับเราไม่ได้เราจะอยากให้มันอยู่มันก็จะทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์พอไม่มีมันแล้วแหมสบาย ญาติโยมบางคนใส่บาตชอบปวดเลยปวดขาตัดมันไปที่ตัดขาดิไม่มีขาแล้วมันก็ไม่ต้องปวดแล้วใช่ไหที่มันมีขามันถึงปวดออถ้ามันไม่มีขาก็ไม่ปวดทำออไมเวลาปวดฟันทงไม่ถอนฟันทิ้งได้น่นะออใช่ไหมพอถอนแล้วเป็นไงปวดไหมฟันไม่ปวดแล้วไม่มีฟันให้ปวดเออ ถ้าไม่มีร่างกายต่อไปก็ไม่ต้องทุกกับร่างกายดีจะตายไปพระเจ้าเจอค้นพบความจริงว่าการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญ์ยังนิพพานังปรมังสุขขังปรมังสุญญ์ยังก็คือปรมังสุขขังนั้นอันนั้นเเท่ากับบีบีเท่ากับ C เพราะฉะนั้น A ก็ต้องเท่ากับซีอันนี้ก็เหมือนกันนิพพานคือความสุขอย่างยิ่ง นิพพานคือความว่างอย่างยิ่งงั้นความว่างอย่างยิ่งนี่แหละก็คือความสุขอย่างยิ่งใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วมันจะไปทุกข์กับอะไรที่ทุกข์ที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้ทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับสิ่งที่เรามีไม่ใช่เหรอทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้เพราะเรามีเขาพอเขาจากเราไปแล้วเราก็ไม่ทุกข์ตอนนี้เราทุกข์กับพ่อแม่เราแบบตายไปหมดแล้วใช่ไหม อ่าสบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลกันละ พ, พ่อยังอยู่ก็ยังต้องทุกกับพ่ออะไรฮเดี๋ยวพอพ่อตายก็ไม่ทุกกับพ่อแล้วใช่ไหมตอนนี้ทุกกับแม่ปะ <S <S ไม่ทุกเลย <S 2> <S 2> ออนั่นแหละงั้นก็อ่นั่นแหละไม่มีแม่แล้วใช่มหมว่ามีแม่ก็ทุกข์ลูกชายก็ไม่ทุกกับมันแล้วใช่ไหมเอเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่กับเราแล้วมันไปอยู่ของมันไปใช้ชีวิตของมันแล้ะ เาก็ไม่แต่เมื่อก่อนมันอยู่กับเราทุกข์ไหมนะ่ะอืออือนั่นแหละมีอะไรมันก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีเพราะสิ่งที่มีมันจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเสม อ, อสา ม, มันดีสี่วันไข่เวลามันดีเราก็มีความสุขเวลามันไม่ดีขึ้นมาโอ้ก็ไม่สบายใจกันวุ่นวายใจกันไปหมด เนี่ยพวกเราโง่แล้วฉลาดไม่เคยคิดกันเลยว่าความความทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งนี่เรามีทั้งนั้นเน่ยใช่อหมนอกจากคนฉลาดเท่านั้นที่มีแล้วไม่ทุกคนมีคนที่มีแล้วไม่ทุกเพราะคิดว่าไม่ได้เป็นของเขาอต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดว่ามันเป็นของคนอื่นของคนอื่นเราทุกข์ไหมบ้านคนอื่นเราทุกข์ด้วยไหมบ้านคนอื่นไฟไหม้เราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนบ้านคนอื่นน้ําท่วมเราเดือดร้อนไหม รถของคนอื่นหายเดือนร้อนมาถ้าเราไม่ถือว่าเป็นของเราอย่างอย่าไปถือว่าถ้าเราถือว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่ไม่ได้เป็นของเราเวลามันหายไปเราก็ไม่ทุกข์แต่เราชอบไปถือว่าเป็นของเราพอเป็นของเราเราก็อยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่อยากให้มันจากเราไปพอมันจากเราไปก็วุ่นวายใจทุกข์ใจกันจำไม่ได้หรือไม่เข็ดเลยเนี่ย ว่าทุกอย่างนี่เรามันต้องมันไม่ได้เป็นของเราไม่เคยคิดกันแล้วเวลามีมันกับไม่มีมันอันไหนสบายกว่ากันมีมัแล้วทุกไหมไม่มีมัแล้วทุกหรือเปล่าดูพ่อดูแม่เป็นดูสิ่งที่เราเคยมีแล้วตอนนี้เราไม่มีแล้วเป็นยังไงสบายไหม นัแพระพุทธเจา้าบอกให้อัดอยู่กับความว่างให้ได้อยู่กับการไม่มีอะไรให้ได้แล้วจะมีความสุขมากก่อนที่จะอยู่กับการไม่มีอะไรได้ก็ต้องหยุดความอยากอยากได้สิ่งต่างๆพอหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆมันก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันต้องมีเพราะมันยังอยากได้ยังอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีมงมมงมหารูปมาดูหาเสียงมาฟัง เห็น ไ, ไหมบางคนเนี้ยแค่รูปเสียงนี่ก็หมดไปเป็นล้านนลยซื้อเครื่องเสียงชุดหนึ่งก็ต้องฟังเสียงดีๆเนี่ยเครื่องฟังเครื่องเสียงนี่เป็นล้านขึ้นไปอยากจะรูปได้รูปดีๆไปซื้อรูปภาพวาดของของฝรั่งดูเลภาพละสามสามร้อยล้านเหรียญ น, นี่เพราะอยากได้อยากดูภาพเนี่ยเห็น ไ, ไหม เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแล้วมันก็เป็นแค่ภาพนั้นนีงเป็นแค่กระดาษกับสีที่เขาป้ายบนบนบนผืนผ้าบนืนผืนกระดาษนั้นนั่นเองแล้วเราก็ไปหลงกับสมมุตินิยมว่าโอ้วิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนีน้มันวิเศษตรงไหนก็ดูภาพที่เขาวาดนั่นเองไอเงินที่เขาไปใช้ซื้อภาพนี้ซื่อไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนให้คนเขาได้รับประโยชน์มันไม่ดีกว่าเลย อันนั้นนํามันวิเศษกว่ามันวิเศษตรงที่มันทําประโยชน์อันนี้มันไม่ได้ทําประโยชน์นะมันเป็นแขวนไว้แล้วแขวนก็แขวนไม่ได้เดี๋ยวคนรูเ้เดี๋ยวก็ถูกเข้ามามาขโมยไปซื้อมาแล้วก็ต้องเอาไปซ่อนไว้วซื้อมาทําไมใช่หไหมนานๆก็เอามาโชว์ชาวบ้านทีว่าฉันมีภาพอย่างนี้ออช่วเอาเงินที่มาซื้อไห้ภาพนี้ไปทําบุญไม่ดีกว่าเอออ เห็นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเขาได้รับการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้วยการช่วยเหลือของเรานี้มันทำให้เราปลื้มปิติมากมีความสุขมากดีกว่บมีภาพใบสามีภาพราคาเป็นหลายหลายร้อยล้านเหรียญเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่ในตู้เซฟเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรตรงไหน คนพวกนี้มันไม่มีธรรมะไม่เคยรู้เรื่องมีมีทรัพย์แทนที่จะให้ทรัพย์มาให้ความสุขกับกับให้ทรัพย์มาให้ความทุกข์เราต้องมาคอยวิตกกังวลกับทรัพย์ที่มีอยู่ <Yeah. S 2> ความสุขที่ได้จากมันก็แป๊บแป๊ บ, ปบเดี๋ยวเดียวพอคิดถึงมันพอเห็นมันหน่อยก็สุขขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ <Yeah. S 2> ก็มาต้องคอยวิตกกังวล เชื่อพระพุทธเจ้าเติดว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ ก, การไม่มีอะไระการที่จะไม่มีอะไรได้ก็ต้องหยุดความอยากถ้าหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขในตัวเองอไม่ต้องมีอะไรอยู่กับความว่างไนดะ้อยู่กับการไม่มีอะไรได้การที่จะทำใจให้สงบการที่จะหยุดความอยากมันก็มีสองวิธี วิธีที่ง่ายกับวิธีที่ยากวิธีที่ง่ายมันก็ทำให้ใจสงบว่างเป็นพักๆแต่ไม่ตลอดวิธีที่ยากแต่มันจะทำให้ใจว่างใจสงบไปตลอดก็มีสองวิธีเราก็ต้องเอาวิธีง่ายก่อนวิธีง่ายก็คือสติพุทโธไปทั้งวันท่าเนี้ถ้าเราพุทโธพุทโธได้ เราก็หยุดความคิดหยุดความอยากได้พอไม่มีความคิดความอยากใจก็ว่างสงบมีความสุขขึ้นมาแต่พอเราเผลอสติพอไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็อยากได้ขึ้นมาพออยากได้ขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังคิดถึงใอ้ห้าพันนั้นอยู่ก็เดี๋ยวยังทุกข์อีกเนี่ย แต่ถ้ามีสติคอยห้ามไว้มันก็จะไม่ทุกข์หรือทุกข์ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่นานพอรู้ว่าจะคิดถึงให้ห้าพันก็พุโทโธพุโทโธไป <g arden> เออเดี๋ยวมันก็หายทุกข์นี่เรกนี่เรียกว่าออดีขึ้นแล้วค่ะออออดีขึ้นแล้วค่ะนี่เรียกว่า ดับดับทุกข์ด้วยสติทําใจให้สงบให้มีความสุขด้วยสติแต่สติมันไม่ไม่ถาวรมันเหมือนหินทับหญยาวันแรกหลวงพ่อไม่ใช่พูดโทนเดียวสวดด้วยต้องสู้กับมันเพราะมันไม่ยอมหยุดใช่ไหมมันไม่ยอมคิดหยุดคิดเจ้าค่ะมันจะไปถึงบ้านแล้วมันจะไปจัดกอรไปอยู่แล้วจะไปไปว่าเขาแล้วเสร็จนะไปจับเลยเลยนะออ ชอทีนี้ทั้งสวนทั้งเอาหมดแล้วเป็นไงแล้วก็ดีไม่มีปัญหาตามมาตอนนี้เริ่มดีแล้วกับเขาก็ไม่มีเรื่องมีเหลากันหยุดเลยค่ะถ้าเราไปทำเขาเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ต้องคอยหันซ้ายหันขวาอยู่มันใช่ไหมต้องคืนลมอีกอย่าเวลาอย่างนั้วิธีง่ายก็คือสติ พุทธโทคำเดียวมันยากตรงไหนเด็กมันยังพุทธโทได้เลยเพียงแต่มันไม่พุทโธอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองหัดพุทโธให้มันต่อเนื่องแล้วพอเวลาเราจะใช้มันมันจะมาง่ายถ้าเราพุทโธไม่ต่อเนื่องถึงเวลาจะให้มันพุทโธมันพูดไม่ออกะมันพูดไม่ออกฉั้นต้องพยายามหัดพุทธโทไปเรื่อยๆให้มันเป็นนิสัยขึ้นมา นี่เราก็ทําได้ในระดับอย่างนี้ไมเห็นคุณคหเห็นคุณค่าของพุโทโธอย่างเห็นแล้วเราจะค่ะเห็นใจเลยเจ้าค่าเมื่อก่อนก็ไม่รู้จักพุโทโธใช่ไหมอืมไม่รู้อะค่ะต้องจัดการแน่นอนเออเมื่อก่อนถ้าไม่ได้มาฟังทำนี่ก็คงจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เจ้าค่ะ เ, เดี๋ยวนี้รู้จักวิธีปราบตัวปัญหาที่แท้จริงก็คือใจเราเนี่ยนะใช่ไหมใจที่มันพยศใจที่มันโกรธเนี่ยเราต้องปราบตัวนี้ไม่ใช่ไปปราบคนที่ทําให้เราโกรธ คนที่ทําให้เรากดเป็นเพีงคนจุดชนวนระเบิดมันอยู่ในใจเราลูกระเบิดอยู่ในใจพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูจะสอบถามหนูที่ช่วงที่หนูนั่งสมาธิแล้วหนูจะวางเขาเนี่ยหนูไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันคือมโนของหนูหรือเปล่าเพราะหนูก็คือหนูมโนว่าก็คือเห็นลูกเขาด้วยหนูก็มีภาพลูกเขาแล้วก็ตัวเขาแล้วหนูก็นึกถึงในขณะนั้นในพุทโธอยู่ว่าหนูสงสารอ มันเป็นใจของหนูที่คิดไปเองหรือว่าก็ใจเราคิดนั่นแหละแต่แต่มันคิดไปในทางธรรมะไงเมตตากรุณาอเนี่แหละแผ่เมตตาให้แผ่ตอนเนี้ยตอนที่คนขโมยเงินเนี่ยมไม่ใช่ไปแผ่ในะห้องพระคนเดียวสวมดมนต์ไปมันไม่ได้แผ่ให้ใครอเวลาใครมาขโมยเงินห้าพันก็เอะสาธุสาธุนี่นะแผ่เมตตา แล้วในจิตของหนูนะมันก็บอกว่าสงสารอันนั้นอยากซึ้งเลยแล้วหนูก็รู้สึกแบบหนูก็จะอดโนมอดข้าวใช่หนูเห็นเขาจริงๆวันที่เขามาเนี่ยเขามีรูปมาด้วยแล้วเขามีรูปมาด้วยแล้วหนูก็เลยนั่งแล้วหนูก็แต่หนูไม่เห็นตัวผู้หญิงแต่หนูเห็นเด็กแล้วหนูก็เห็นสองวันแล้วหนูก็บอกว่าพอวันที่สามหนูก็วางเลยหนูก็บอกว่าเอออ่ะ ให้ให้ให้ครอบครัวเขานั่นแหละถูกต้องเมตตาไงเมตตากรุณาแต่มันไม่ใช่มโนที่เราตั้งขึ้นมาเองหรือว่ามันเกิดมาจากก็ความคิดของเราแหละภาพที่เราเห็นมันเราเอามาใช้สอนเราไงอสอนใจเราทุกอย่างที่เราเห็นที่เราได้ยินเนี่ยมันอยู่ในใจเราที่เราถ้าเรารู้จักเอามาใช้มันก็ทำให้เราใช้เป็นประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติฝึกสติแล้วฝึกปัญญาปัญญาก็ให้อภัยคิดว่าเป็นการทาบุญทาทานไปหรือว่าเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราของที่เป็นของเรานี้ก็เป็นของเราชั่วคราวมันมีเวลามีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือเป็นของคนอื่นได้เสมอ แล้วจะคิดว่าเราโง่ก็ได้อยู่ดีๆเอาเงินไปให้เขาเองนี่ใช่ไออหลงคาลมเขาเขามาหลอกล่อเราว่าจะให้ดอกแพงทีนี้เราก็โลภขึ้นมาแล้วอหัวถ้าให้เขาห้าพันแล้วเขาจะให้เอากลับคืนให้หมื่นหนึ่งนี่โอ้ยก็อยากให้เขาทันทีแล้วได้เงินได้หมื่ขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ได้ศูนย์ <laughs> ถูกก็หลอกโง่เขาใช่ไหม ถ้าอยากจะให้เข้าคืนมันต้องมีหลักทรัพย์หลักประกันสิเขาจะเอาเงิน 5, ห้าพันนี้เขามีทองคําหรือเปล่าอ่า อ, อันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นการดอกค่ะอันนี้มันเป็นเบี้ยค่ะอ่าเป็นเป็นเรื่องของเรื่องของบริษัทอ่าหนูซื้อประกันชีวิตเจ้าค่ะอ่าแล้วประกันชีวิตเขาไม่จ่ายให้เราเข า, าใช้เวลาที่เขาต้องชดเชยให้หนูใช้เวลาหน่อยหนูก็บอกว่าหนูจะไม่จัด ก, การกับเขาแต่ให้ฟั ง, งหนูแจ้งเขาค่ะว่าหนูไม่ได้เงินนี้ได้ชําระไปแล้วมีมีใบเสร็จทุกอย่าง แล้วทำไมแล้วเราจะเอาคืนนั่นเลยก็ไม่ก็เดี๋ยวให้ทางการจัดการให้พ่อหนูส่งเบี้ยไปค่ะแต่เบี้ยนี้ไม่ได้เข้าบริษัทอ๋อเขาเขาคนคนที่ขายประกันนี่เขาเอาไปใช้แทนเราไปเลยแล้วไม่ได้รับประกันไ่้ก็ก็ถูกหลอกลวงเชื่อคาเชื่อคารมเขาเชื่อเซลแมนเนี่ยซื้อของที่มีตัวแทนเนี่มัน มัอนอาจจะถูกหลอกได้เพราะไม่รู้ว่าเขาจะทําตามที่เขาพูดหรือเปล่าเนี่ยะนถ้าอยากจะซื้อประกันก็นไปซื้อที่มั่นให้มันมั่นใจก็ไปซื้อที่บริษัทเลยซื้อโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลางนะแต่เรามักขี้เกียจไม่มีเวลามไม่อยากจะเสียเวลา อแล้วคนอื่นที่เขาซื้อผ่านประกันคนผ่านตัวแทนเขาคนคนอื่นเาทำหลายคนอีกทั้งนั้นใช่แล้วเขาเขาจะรู้ได้ไงว่าถูกกองแล้วไม่ถูกกองคนอื่นไม่รู้แต่หนูรู้เขาว่าเขาก็ไม่ได้เช็คมัหมายถึงพูดทั่วไปคนอื่นเซลแมนคนอื่นที่เขาขายที่เขาไม่โกงเนี่ยเขาเขามีอะไรหลักประกันให้คนซื้อมีความมั่นใจไม่คะเราเราจะต้องไปส่งที่ประกันที่ที่ที่บริษัทเองคนขายประกันเองนามาขายะ แต่เวลาจ่ายเบีย้ยเราต้องไปจ่ายเอ ง, เอ ง, เงถ้าเราฝากเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปอนี่คือความโง่ของเราไม่เรหนูไว้ใจเขาหนูนหลายปีแล้วไงนั่นลเลยทีเก็บที่เกียรก็ได้อย่นี้พ่อว่าได้เยอยนั่นแหละนะความที่เกียรตก็เลยทําให้เสียทรัพย์ะถ้าขยันท่านหน่อยก็ไม่เสียเหมือนกับฝากคนเงินฝากคนเอาเงินไปเข้าธนาคารอย่างนี้ไม่รู้เขาเอาเข้าหรือเปล่า ใชอเนื่องน้วรคยฝากเงินคนอื่นฝากคนให้ก็ไปเข้าธนาคารให้เราก็ฝากเหมือนกันเะอ่าคนไว้ใจได้หรือเปล่าอ่าถ้าเกิดวันไหนไว้ใจคงต่อไปนี้คงจะเป็นบทเรียนแล้วค่ะวันนี้บทเรียนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจจะจนใจตายนี่ขนาดว่าเขาคนขายประกันนี่มาตลอดนะเจ้าค่ะเห็นไหมก็เลยวันนี้อาจจะเดือดร้อน อคนออเราส่วนใหญ่มันมั น, มนมกจะมักง่ายขี้เกียจแล้วก็บางทีเกงใจคนคนเขาอาจจะมาทําตัวให้มีบุญคุณกับเรานิดหน่อยช่วยเรานู่นช่วยนี่หน่อยแล้วเขาก็จะมาขอความช่วยเหลืออะไรจากเราไอ้เราก็เกงใจเขาบางทีมาขอยืมเงินอย่างเงี้ยเพราะเขาเคยช่วยนู่นช่วยนี่เราพอเขาจะมาขอยืมเงินถ้าเราไม่ให้เขาก็เราก็จะรู้สึกแหมเรา เราเรามันผดผ้ายหรือเปล่าเขาดีกับเราใช่หไหมก็ เ, เลยเนี่ยถูกถูกเขาหลอกเพราะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก่อนที่เขาจะมายืมเงินเราเนี่ยเขามักจะมาทําความดีกับเราก่อ น, อ ช, น, นช่วยนู่นช่วยนี่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นบุญคุณกันเป็นหนี้บุญคุณกันแล้วเขาก็จะมาสร้างเรื่องสร้างเหตุว่าโอ๊ไม่เกิดความเสียหายเดือดร้อนออลูกไม่มีนมกินหรืออะไรก็สุดแท้แต่ ทำฟังแล้วมันอดที่จะสงสารไม่ได้แล้วเมื่อเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีบุญมีคุณกับเราครับก็เลยยอมให้เขายืมไปพอยืมแล้วก็หายไปเลยไม่เจอกันอีกเลยเจอกันก็หลบอันนี้แหละก็ต้องถ้าเราจะให้ยืมเขาก็กอย่างที่คิดเนี่ยถ้าคิดว่าสงสารเ็าจริงๆแล้วเชื่อว่าเขาเอาเรื่องที่มาเล่านี้เป็นเรื่องจริง ก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปก็อย่าหวังเอาคืนเราจะได้สบายใจคือให้ใช้เขายืมเขาคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้ให้คิดอย่างนี้ไม่คืนก็คือว่าเป็นการทำบุญกันไปช่วยเหลือกันไปถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ไม่ขาดทุนถึงแม้เราจะเสียเงินแต่เราเสียเงินด้วยความยินดีเหมือนกับเรามาทำบุญนี่เราก็ยินดีที่จะมาทำบุญ เมื่อทำไปแล้วเขาจะทำเขาเขาจะคืนไม่คืนนี่ก็เรื่องของเขาไป เ, า เ, าเรื่องของใจมันแปลกนะเงินก้อนเดียวกันนี่ถ้ายินดีจะเสียกับมีความสุขถ้าไม่ยินดีจะเสียกับกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เ, า, าเราต้องหัดยินดีเสียกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะได้ไม่ทุกเวลาเสียมัน เกิสามีอยากจะไปมีแฟนยินดีให้เขาไปนะี่โอ้เว้มีความสุขอยู่กับเราเมาเหล้าเตะเราทุบเราตีเราเมื่อมันอยากจะไปมีแฟนใหม่ก็ให้มันไปเลยออทําใจได้เปล่อคิดได้เป่า ไ, ได้ไดนะเลยก็แปลกนะหลวงพ่อไอ้ที่ดีก็อยากได้ไอ้ที่ไม่ดีโอ้อไอ้ที่ไม่ดีอยากให้มันไปมันก็ไม่ไปไอ้ที่ดีอยากให้มันอยู่มันก็จะไปเอันนี่แหละ เราก็อย่าไปถือว่ามันดีหรือไม่ดีถือว่ามันทุกอย่างมันไม่เที่ยงดีกว่าทุกอย่างมันต้องมาหรือไปหรือไปแล้วมาหรือมันจะมาเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะไปเราก็ห้ามมันไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ดีกว่ามันจะไปก็ให้มันไปมันจะมาก็ให้มันมาเนี่ยสิ่งที่เราไม่อยากให้มันมาเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวความแก่มันก็มาเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวความตายมันก็มาอยากไม่อยากมันก็ต้องมา เห็นเราต้องหัดมาทำใจกันทำใจก็ทำใจให้สงบเนี่ยละพอใจสงบแล้วอะไรมาก็ไม่เดือดร้อนความแก่มาก็ไม่เดือดร้อนความเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ไม่เดือดร้อนเจ้าหนี้มาก็ไม่เดือดร้อนเจ้าหนี้มาก็ต้อนรับเขาไปไม่มีเงินก็บอกเขาไม่มีเขาอยากจะยึดอะไรก็ให้เขาไปมีอะไรก็เอาไปอยากจะจับเราเข้าคุกก็เอาไป ถ้าใจเราสงบแล้วเรายินดีกับทุกอย่างได้หมดไม่เดือดร้อนเมื่อถึงเวลามันจะต้องเกิดก็ต้องเกิดเหมือนเหมือนฝนมันจะตกมันจะไปห้ามมันได้ไงฝนมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปเราทําใจ ย, ยินดีกับฝนเราก็สบายใจที่เราไม่ยินดีเพราะกิเลสเพราะความใจเราไม่สงบกิเลสมันเลยมาต่อต้าน แต่ถ้าเราทำใจให้สงบแล้วกิเลสมันไม่มีกำลังที่จะมาต่อต้านใจเราก็จะมีความสุขกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะตอนนั้นถ้าใจสงบแล้วมันความชอบความไม่ชอบมันจะหายไปมันจะเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเราต้องมาฝึกใจกันมาควบคุมใจ ให้เฉยให้ได้ให้สงบหยุดความอยากให้ได้แล้วเราจะอยู่กับความว่างแล้วอยู่กับอะไรก็ได้ถ้าต้องไปอยู่ในคุกก็ได้อยู่ในคุกถ้ามีปัญญาก็บอกดีนะคุกเนี่ยข้าวก็ฟรีบ้านก็ฟรีน้าไฟก็ฟรีภาษีก็ไม่ต้องจ่ายในชะ่ค่าเช่าก็ไม่ต้องจ่ายแถมมีรอปพยี่บสี่ชั่วโมงปลอดภัยนะ ไม่ต้องทำงานด้วยอยู่เฉยๆถึงเวลาก็มีกินดีจะตายไปเพราะฉะนั้นถ้าเราใจเราสงบแล้วเราอยู่เราก็รับกับทุกสภาพได้หมดเพราะสภาพเหตุการณ์ต่างๆนี้มันจะไม่มากระเทือนใจของที่ของใจที่สงบ ใจสงบนี้จะเป็นอุเบกขาจะสักแต่ว่ารู้จะไม่สั่นสะเทือนเหมือนกับรถที่มีระบบชกอัพที่ดีเนี่ยรถที่ราคาแพงๆนี่เวลาวิ่งผ่านถนนขุขะนี้เหมือนกับไม่ไม่ได้ผ่านถนนขุขะเลยเพราะคนที่นั่งอยู่ข้างในนี่เบามันนิ่มมันนิ่งมันไม่สะเทือนใจกับรถเพราะมันมีระบบที่จะคอยปรับให้รถนี่เหมือนกับไม่ได้วิ่งบนถนนขุขะเนี่ย ใจของเราก็อย่างนั้นนะถ้าใจของเรามีความสงบแล้วชีวิตจะแล่นแค้นจะขุกขระยังไงก็เหมือนกับไม่ไ ม, ไม่ขุขะไม่แลนแค้นชีวิตจะแสนสบายยังไงก็มันก็เหมือนกันมันใจไม่มีไม่ไม่มีผลรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบกับใจใจก็จะสงบใจก็จะสุขเหมือนเดิม การทําใจให้สงบเนี้สําคัญอขั้นตอนแรกเราต้องทําด้วยสติเพราะมันง่ายขั้นตอนที่สองมันยากปัญญานี่มันยากเพราะว่ามันต้องเข้าใจว่าอะไรไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรออะไรที่ไม่เป็นของเรานี่หมายความว่าอย่างไรเอความทุกข์นี้เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากอันนี้ต้องใช้ การวิเคราะห์เหมือนกับการเรียน เ, เรียนคณิตศาสตร์เนี่ยมืนมันยากกว่าการการการเรียนกอไก่ขอไข่เรียนกอไก่ขอไข่มันก็ท่องไปกอเอ้ยกอไก่ขอไข่ในเล่าท่องไปเดี๋ยวมันก็จําได้แต่ถ้าจะมาเรียนคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารสูตรส ม, มการอะไรต่างๆนี่โหมันยากใช่ต้องใช้ความคิดมากถึงจะเข้าใจ ปัญญาก็เหมือนกันสามตัวเนี้ยก่อนจะเข้าใจได้ น, นี่มันไม่ใช่ของง่ายอา น, นิจจังเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงอันนี้ถ้าไม่มีคนสอนงมเหมือนกันไปเลนคณิตศาสตร์เองเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจหรอกต้องมีครูคอยอธิบายให้ฟังว่าทำสมการยังไงทําอะไรอย่างไรขั้นเย็นขั้นแรกที่เรา เอาขั้นง่ายๆก่อนดีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการความสงบชั่วคราวมันดีกว่าไม่สงบเลยมันใช้แก้ปัญหาได้อย่างที่มาเล่าให้ฟังนี่เห็นไหถ้าไม่มีพุโทโธปัตนนี้ก็ยังอาจจะไปติดคุกแล้วก็ได้ไปฆ่าเขาหรือไปอไปทำร้ายเขาเขาก็ไปแจ้งความกลับ จำนวนก็ต้องมาจับเราไปติดคุกถึงแม้ว่าเขากงเร า, เ, าเขาไม่ดูว่าเขากงเราหรือไม่กงเราเขาดูว่าเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะถ้าเราทำร้ายเขาเขาก็ต้องจับเราไปขังคุกขังตารางเอพอเรามีพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันก็ น, นับความโกรธที่จะไปทำร้ายเขาได้เอแล้วพอมีเวลามานั่งคิดเออคิดสงสารเขาขึ้นมาเห็นลูกเขาลูกเขาอาจจะอดอยากขาดแคลน แม่หาเงินไม่เป็นก็เลยต้องหาเงินแบบนี้เ mm. อก็เลยคิดอย่างนี้ก็เลยสงสารเขาก็เลยไม่เอาเรื่องเขาไปเอใจเราก็สงบเราก็อยู่เป็นปกติเราก็กายเราก็ยังเป็นคนดีอยู่ต่อไปอแต่ถ้าเราคิดว่าเราดีแต่เราไปตบไปตีเขานี่เราดีไหมไม่ดีแล้วใช่ไหมอตอนนี้เราไม่ได้ตบไม่ตีเขาเราก็ยังเป็นคนดีเออ เรายังเป็นคนใจบุญสุนทานอยู่ยอมเสียห้าพันนี้เป็นการทำบุญไปเราก็มีความสุขอย่าตอนนี้หัดใช้ฝึกสติก่อนพอเพราะถ้าไม่มีสติจะไม่มีกำลังที่จะมาที่จะมานั่งคิดทางปัญญาได้การจะคิดทางปัญญานี้มันต้องใจที่สงบ ถ้าใจามันวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆมันคิดไม่ออกจึงต้องผ่านขั้นสติขั้นสมาธิก่อนถึงจะไปถึงขั้นปัญญาได้แม้แต่เรียนหนังสือเราสังเกตอยูว่วันไหนจิตใจเราวุ่นในอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องอ่ะ ต, ต้องให้ใจมันหายวุ่นก่อนแล้วเราถึงจะอ่านหนังสือแล้วเข้าใจ เพราะว่าเวลาเราอ่านหนังสือถ้าใจเราวุ่นมันจะอยู่กับไอ้เรื่องที่กำลังวุ่นอยู่เนี่ยตัวหนังสือก็ดูไปอย่างนงั้นอ่านไปอย่างนั้นแต่มันไม่เข้าไปในใจเพราะมันเป็นตัวตัวอื่นที่อยู่ในใจขวางกั้นอยู่เรื่องวุ่นวายใจมันจะขวางกั้นเรื่องเรื่องราวใหม่ๆที่เราต้องการเอาเข้าไปในใจนั้นเราต้องเคลียร์ใจแล้วก่อนเหมือนกับเหมือนกับกระดานดำเนี่ยถ้ามันมีคนเขียนเต็มกระดานแล้วเราจะมีที่เขียนหม เวลาครูใหม่เข้ามานี่บางทีต้องลบอกระดานดําออกกันครูเก่าบางทีไม่ได้ลบให้ครูใหม่จะสอนใหม่ก็ต้องลบกระดานดําออกก่อนเอแล้วถึงจะเขียนข้อความต่างๆบนกระดานดําได้ใจเราก็เหมือนกระดานดําเนี่ยใจเราเขียนอยู่ตลอดเวลาเขียนนึกจตื่นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยพอให้มันมาเขียนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามัน ม, มันไม่มีที่เขียนเลย มันมีแต่เรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทำมาหากินเรื่องอะไรต่างๆเต็มไปหมดเนียเราต้องเคลียร์ใจก่อนเคลียร์ด้วยพุทโธเนี่ยพุทโธเหมือนไอ้ไ อ, อย้ยางลบที่เราลบกระดานเนี่ยพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจก็ว่างไม่มีเรื่องราวอยู่ภายในใจเ พราะว่าทีนี้เราก็สั่งให้มันคิดไปทางปัญญาได้เออไม่เที่ยงนะของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาเคิดอยู่บ่อยๆเพราะมันไม่คิดเดี๋ยวมันถูกลบพอไม่คิดปั๊บมันก็ลบหายไปจากกระดานดำแล้วพอมันไปคิดเรื่องใหม่เข้ามาแทนคิดเห็นขนมเห็นอะไรก็ไปคิดถึงเรื่องขนมเรื่องเครื่องดื่มนะหรือเห็นของ ที่เขาขายตามร้านก็อยากได้ขึ้นมาเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ารถยนต์มือถืออะไรเยอะแยะไปหมดเนีย่ยอันนี้มีของที่มาล่อใจเราเต็มไปหมดเปิดสื่อทีไรแม่มีแต่โฆษณากดอย่างงี้เราจะได้อย่างงั้นลบมันหมดเลยอย่าไปอ่านให้มันเสียเวลาไอของที่ส่งมาบอกมันไม่มีของดีหละมันมีแต่ของแย่หลอกเอาเงินเราทั้งนั้นเลยอย่าไปอ่านให้มันเสียเวลา เวลาเปิดโทรศัพท์มีข้อความเข้ามาเยอะๆลบบันทึกไม่เหมดไม่ไปอ่านนั่นมันเสียเวลามันมาหลอกเราทั้งนั้นเนี่ยใจเราก็ลบมันให้ว่างอย่าให้มันคิดถึงอะไรพุดโธพูดโธพูดโธไปแล้วใจว่างนี่แหละคือความความสุขเนยว่างทั้งข้างในว่างทั้งข้างนอกมันต้องว่างข้างในก่อนมันถึงจะว่างข้างนอกได้ถ้าใจข้างในไม่ว่างมันจะไปว่างข้างนอกไม่ไดเ้เพราะความ ความไม่ว่างข้างในมันมันมันมันไหลออกไปสู่ข้างนอกพอใจเราไม่ว่างใจเราอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้มันก็ไปหาสิ่งนู้นสิ่งนี้มานันทีแต่ถ้าใจเราสงบใจเราว่างไม่มีความอยากได้เลยข้างนอกมันก็จะว่างตามที่เราบีทรั์สมบัติเยอะแยะไปหมดข้าวของเงินทองเลย เต็มไปหมดก็เพราะใจเรามันไม่ว่างใจเรามันเต็มไปด้วยความอยากได้สิ่งเหล่านี้มันถึงได้สิ่งเหล่านี้มาแต่พอใจเราว่างใจเราสงบนี้มันไม่อยากได้อะไรมันก็ว่างได้การอยู่กับความว่างนี่แหละมันอยู่กับการไม่มีอะไรนี้สบายไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลไม่ห่วงใยไม่เศร้าโศกเสียใจ ดัง น, นเราต้องมาทําใจให้ว่างให้สงบด้วยวิธีที่ง่ายก่อนก็คือสติหัดพุดโทโธพุโทโธไปเหมือนกอไก่ขอไข่หัดนับหนึ่งสองสก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนคณิตศาสตร์ได้หัดนับหนึ่งสองสามให้ได้ก่อนพอนับหนึ่งสองสาได้แล้วทีนี้ก็มาบวกลบคูณหารก่อนมันเป็นขั้นเป็นตอนไปยันขั้นตอนนี้ต้องฝึกสติให้มากๆเพื่อลบความคิดลบความอยากให้ออกไปจากใจชัว่วคราวก่อน มันถูกลบออกแล้วเราก็เอาใจมาคิดในทางปัญญาต่อไปได้แล้วพอเรามีปัญญาแล้วพอเกิดความอยากเราก็หยุดมันได้อยากเอาเงินคืนเข้าไปแล้วก็รู้ว่าอยากก็ไม่ได้คืนอยู่ดีไปอยากทำไม ถ้าอยากได้เคยก็ไปเอามาได้แต่ถ้ามันอยากแล้วไม่ได้ไม่ได้ก็อย่าไปเอามันทุกไปเปล่าๆหรือว่าถ้าได้มาถ้าคิดฉลาดอีกขั้นว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปอยู่ดีก็อย่าไปเอามันมาดีกวกาเพราะไม่ว่าเราจะได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเสียมันหมดไม่เสียตอนเป็นก็เสียตอนตาย เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีปัญญาจริงๆแล้วมันจะไม่อยากได้แหละนอกจากของจําเป็นจริงๆนะอย่างพระพุทธเจ้าก็ขอบินรบาดแค่วันลรรอบเดียวก็พอไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหลังจากนั้นแนละ้วท่านก็ไม่ได้อยากได้อะไรไการบินรบาดก็ไม่ได้อยากบินไม่อยากได้แต่ต้องบินเพราะถ้ายังต้องเติมน้ํามันให้ร่างกายอยู่ก็ยังต้องใช้ร่างกายเหมือนรถยนต์เพื่อที่จะได้เอามาสั่งสอนคนนั้นคนนี้อยู่ แต่พอถึงเวลาที่ร่างกายมันจะไม่อยู่ท่านก็ไม่ไปยืมมันเห็นไหยท่านเอาแค่แปดสิบก็พอท่านก็คอยพูดกับพระ อ, อนนว่าถ้าจะยืมนี่ร่างกายนี่อยู่ต่อไปได้อีกสี่สิบปีอยู่ได้อีกถึงร2อยยี่สิบปีแต่ถ้านไม่อยากจะยือเพราะหนึ่งจะต้องเป็นภาระกับคนอื่นเนี่เพราะาคนแก่ก็ต้องมีคนคอยมาประครับประคองแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือพระ อ, อ น, นุน พอพระอานุ์เป็นพระ อ, อุปถากก็ต้องอุปถากพระพุทธเจ้าอีกต้องสี่สิบปีพระพุทธเจ้าก็พูดเป็นในให้พระอานนุ์ฟังอานุ์ถ้าเธออยากให้เราอยู่ต่อเธอต้องอาลาธนาเธอต้องนิมนต์เรานะแต่พูดกี่ครั้งนิบพระอานนุ์ออนก็ไม่เข้าใจความหมายก็เลยไม่เคยนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อ พอพระพุทธเจ้ารู้ว่าไอันนี้มันไ ม, ไม่ไม่ต้องการที่จะมา อ, อุปถากเราแล้วก็เลยบอกอานนท์อีกสามเดือนเราไปนั้นนะพอพูดแค่นี้อานนท์รีบอาราธนาวอาตัวให้อยู่ต่อเถิดพระพุทธเจ้าบอกสายไปเสียแล้วเพราะว่าเราพูดมาหลายครั้งแล้วเธอไม่เคยกระเตื้องเลยไม่เคยอาราธนาไม่เคยขอเลยเตอนนี้เราเลยต้องปง่งละเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ยื้อร่างกายนี้ต่อไปอีกสามเดือนแล้วมันก็จะหมด ตอนนั้นอนุนก ER. ็ร้องไห้ขึ้นมาเพราะอนุนไม่ฉลาดไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเน้นท่านเปิดโอกาสให้แล้วถ้าอยากจะให้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อเขาก็ต้องแสดงความยินดีที่จะอุปถากต์ถ้าไม่แสดงความยินดีพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากจะบังคับให้คนมามามาอุปถากท่านท่านพูดหลายครั้งว่า ถ้าจะอยู่ต่อก็อยู่ได้ถึงร2อยี่สิบปีแต่อานนท์ก็ฟังเฉยๆนะก็ไม่ได้พูดอะไรไม่เข้าใจหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องอัตโนมัติคืออยู่ก็อยู่ท่านก็ยินดีรักษ ะ, ะ, ะแต่ไม่พูดไม่แสดงอาการออกมาพระเจ้เจ้าเลยไม่มั่นใจว่าเขายินดีหรือไม่ยินดีก็เลยคิดว่าเขาคงไม่ยินดีมากกว่าพระองค์ก็เลยตรง ลงสังขารไม่ไม่ไปยืมมันไ ม, ไม่ไม่ไปเพราะว่าจะต้องถ้าจใจมันอยู่ยก็ต้อง อ, ออกกําลังกายต้องทําอะไรต่างๆเให้ร่างกายมันยังทํางานได้ดีอยู่ <c oughs> ต้องรักษาเวลามีโรคมีอะไรต่างๆอนี้ไม่มีคนมาช่วยดูแลร่างกายของท่านท่านก็เลยไม่เอาดีกว่า <c oughs> ก็เลยปลงปล่อยอีกสามเดือน <c oughs> เอาจารย์ครับนี้เป็นเหตุที่ทําให้พระนนท์อยู่ต่อไปอีกถึงร้อยี่สิบถึงอายุร้อยยี่สิบหรือเ่อไม่หรอกก็เป็นเรื่องของพระอนนท์อันนี้ไม่เกี่ยวกันพระอนนท์ก็ได้อนิสงส์ว่าพระพุทธเจ้าตายไปก็ดีพระอนนท์จะได้มีเวลาไปบําเพ็ญพอพระพุทธเจ้าตายไปสามเดือนก็ได้เป็นพระแล้หันขึ้นมาะก็ดีตรงนั้นถ้าพระพุทธเจ้าอยู่อีกสี่สิบปีก็ยังไม่ได้เป็น เพราะยังต้องคอยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่ไม่มีเวลาไปปฏิบัติไม่มีเวลาไปเปิกวิเวปเปกต้องคอยดูแลจัดการเรื่องของพระพุทธเจ้าไหนจะต้องเป็นเลขาไหนจะต้องเป็นคนดูแลบาตรจีวอรอะไรต่างๆดูแลอยู่ดูแลยาวดูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตัวเองก็จะไม่มีเวลาที่จะไปเจริญอสมาธิ ป, ปัญญานี่พอพระพุทธเจ้าไม่มีภาระพ ร, ระพุทธเจ้าแล้วก็ว่างเหมือนคนตกงานเนี่ย คนตรงงานก็มีเวลาที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนสามเดือนก็บรรลุได้ก็ดีอย่างพระพุทธเจ้าจะสงสารา น, นุมั่นก็เลยอถ้าเราอยู่ต่อไปมันก็ยังไม่ได้บรรลุแต่ตอนนั้นได้ทราบว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วนะเพียงแต่ว่าท่านยังไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติต่ตอให้บรรลุสู่ทำขั้นสูงต่อไปเั้นเวลาที่พระเจ้าบอกว่าเราจะไปแล้วอา น, นุนล่างให้ ผมจะบอชอ น, นุท อ, อยาเสียใจเลยเธออีกสามเดือนเธอก็จะได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วเป็นเครื่องปลอบใจทำให้พระอ น, น์ น, นี้มีความความเศร้าใจน้อยลงว่าถึงแม้พุทธเจ้าจากไปเขาก็จะได้บรรลุได้เป็นพระอารหันต์ต่อไปอ อา่านั่งให้นานที่สุดสิของดีถ้าให้ไปขุดทางนี่จะขุดนานสักเท่าไหร่ดีล่ะฮะขุดจน ก, กันทั่งไม่มีแรงขุดใช่ไหอถ้าไปช็อปปิ้งที่ร้านก็บอกแจกฟรีนี่ยจะจะขนไปกี่รอบอ่ะฮมันก็จะขนมากที่สุดถ้าจะมากได้ถ้าเกิด co, เทสโก้โรต้ก็บอกพรุ่งนี้จะเปิดร้านให้ฟรีนี่ยคุณจะเข้าไป นานเท่าไหร่ก็เข้าไปได้เนี่ยขนเท่าไหร่ก็ขนไปได้คณจะขนไปนานมากน้อยเท่าไหร่คณต้องขนให้มันมากที่สุดเท่าจะขนได้ความสุขในสมาธิมันก็เหมือนกับการไปเอาเงินในธนาคารเนี่ยคนมีเวลามีกำลังขนมาเท่าไหร่ขนไปเลยความสุขที่เกิดจากความสงบคนมีกำลังของสติให้อยู่ได้นานเท่าไหร่ก็อยู่ไปเพราะมันไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับความสงบนี่ เนีย่ยไม่ต้องถามหรอกเวลาถ้ามันนั่งถ้ามันเจอสมาธิจริงๆแล้วมันไม่ต้องถามหรอกอาจารย์คะเวลานั่งเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าหลังจะปวดมากแล้วยมที่จะเปลี่ยนกายยาปวดต่างๆในใจเนี่ยก็จะตอจะพูโทรพูโทเนี่ยได้ไหมได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ทางใจได้ประโยชน์ทางร่างกายคือทําบรรเทาความไม่สบายทางร่างกายแต่ใจก็ยังไปไม่ถึงไหนวนอยู่ในอ่าง ถ้าอยากจะให้มันไปไกลก็ต้องปล่อยร่างกายเออปล่อยมันไปแล้วใจก็จะสงบลึกเข้าไปแต่ถ้ามันไม่ปล่อยมันก็จะสงบไม่ลึกมันก็สงบตรงตรงจุดนั้นเพอถึงจุดนั้นมันก็ติดมันจะไปให้ลึกไปกว่า น, นั้นสงบมากกว่า น, นั้นไม่ได้ถ้าอยากให้มันสงบมากกว่า น, นั้นก็ต้องปล่อยร่างกายไปเราก็มาพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปกังวลกับร่างกายไม่ตายหรอกออให้คิดอย่างงี้ อาแล้วนะมันนี้หมดยุคหมดหมดช่วงแรกแล้วเดี๋ยวขออนุโมทนาให้พรก่อนแล้วใครอยากจะสนทนาถามตอบปัญหาก็ยังทำได้ต่อ ยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอ um ิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะหาโสยถามณิโชติหาโสยถาสัพพิติยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสีลิสาณิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมาวาทาน อ enfin uh huh. <si ัิอายุวันโสุขังภาลังก่อนนิยมได้นั่งได้นานแต่ละช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ต่อนื่มากเท่าไรไม่เหมือนก่อนนู้นแต่ละช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องหลังเวาโยมนัางก็มาปวดแล้วก็จะเปลี่ยนท่า จิตของเราก็จะตั้งอยู่ประมตลอ ด, ลอดคือความจริงการป่วยของร่างกายมันเป็นประโยชน์ทางการปฏิบัตินะเพราะว่ามันจะบังคับให้เราเลือกระหว่างปล่อยหรือไม่ปล่อย mm hmm. ถ้าเราปล่อยเราก็จิตเราก็จะเบาจะสงบถ้าเรานั่งแล้วร่างกายไม่ปวดไม่เจ็บมันก็จะมันก็จะบางทีก็ไม่ได้ปงร่างกาย mm hmm. นี่ถ้ามันเจ็บเราต้องปรงร่างกายต้องปล่อยร่างกายใจยิ่งจะไม่เดือดร้อนที่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บของร่างกายปัญหาอยู่ที่ใจมันเดือดร้อนไปกับความเจ็บของร่างกายแต่ถ้าเราโปร่งได้เราก็จะไม่เดือดร้อนมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราก็อยู่ของเราอยู่กับความสงบได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะจาก facebook 475ยูทูบ140 วิทิยุสามสิบสองรับฟังบนข่าวยี่สิบรวมทั้งสิน้นหกร้อยหกสิบเจ็ดคตองหกนะพรุ่งนะนี้ออกตองหกบ้าให้หวยบ้างเยจะได้มีคนเข้าบ่อยๆ <laughs> <laughs> จะได้เพิ่มยอดไง <laughs> พูดเล่นนะเดี๋ยวจนะกลายเป็น <ใจ S 2> <laughs> มีอารมณ์ขมขันว่ะแต่มันถูกก็ดีเลยคนจะได้เข้ามาฟังบ่อยๆขึ้นออมีคำถามไหมค่ะมีคำถามจาก Facebook นะคะหากจากคุณเต้ค่ะหากเป็นคนหงุดหงิดง่ายเวียงง่ายจะแก้ปัญหาอย่างไรครับความหกรหเหตดก็เกิดจากความไม่สงบเนี่ยความฟุง้งซ่านความอยาก ต้องลดความฟุ solo, anger, ้งซ the like so, so, like, so so, like so, ่านแล้ลดความอยากความจู้จี้จุกจิกอะไรต่างๆะหัดทําใจให้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดอย่าอย่าว่าอย่าไปจู้จี้จุกจิกว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องทําอย่างนั้นอสิ่งนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเอายินดีตามมีตามเกิดเขาเป็นอย่างนั้นก็ให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาคนนี้เป็นอย่างนี้ก็ยก็เป็นอย่างนี้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นก็ให้เป็นอย่างนั้นไปอ ถ้ามันทำเปลี่ยนแปลงได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ปล่อยไปค่ะคำถามต่อไปจากคุณหนิงเรียนถามเจ้าค่ะนั่งสมาธิแล้วปวดหลังปวดขาหากเรานอนสมาธิจะเข้าฌานได้ไหมคะไม่ได้หรอกนอนก็หลับเท่านั้นนะนอกจากคนที่เข้าฌานได้แล้วเขาก็เข้าฌานในท่านอนได้ แต่ส่วนใหญ่ถ้ายังเข้าชาในถ้านั่งไม่ได้ถ้าไปนอนมันก็จะหลับค่ะคำถามต่อไปจากคุณพันธิพาค่ะขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะการที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตรู้สึกสบายนั่งไปได้เรื่อยๆแล้วนําโจทย์เลขมาคิดแล้วสามารถคิดได้อย่างนี้เรียกว่าเกิดปัญญาหรือเปล่าคะทเวลาใจเราสบายมันคิดอะไรมันก็คิดได้คล่องแค่ ว, ว่างไว ก็ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องวุ่นวายใจมาคอยรบกวนใจท่านเองจะจะเป็นปัญญาหรือไม่แล้วแต่คิดเรื่องอะไรคิดไปปล้นธนาคารก็เป็นปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาของกิเลสเนี่ยฉะนั้นปัญญามันนการคิดปล่อยวางท่านคิดโปง่งคิดละถึงจะเป็นปัญญาแต่จะคิดเพื่อที่จะหาผลประโยชน์เพื่อให้ได้สิ่งนัน้นสิ่งนี้มันเป็นกิเลส ค่ะคำถามต่อไปนะคะชีวิตนี้จะคุณชีวิตนี้มีสาระขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้ทางให้ด้วยเจ้าค่ะนั่งสมาธิติดต่อกันหลายวันวันละสองรอบครั้งละชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องประมาณหนึ่งเดือนขณะนั่งสมาธิเห็นสิ่งห่อหุ้มจิตทลายลงแล้วจิตวิ่งเข้าฐานหลังจากนั้นเหมือนอยู่ในลูกแก้วมองเห็นภายนอกทุกอย่างตามปกติ แต่อารมณ์เข้าไปไม่ถึงในจิตไม่ว่ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่สามารถวิ่งไปที่ใจได้เช่นป่วยใจรู้ว่ากายป่วยแต่ใจเฉยสบายสงบเสียงดังข้างนอกรู้แต่ไม่ถึงในจิตซึ่งก่อนนี้ภาวนารู้กายรู้ใจสติปัฏฐาน กราบเรียนถามข้อหนึ่งอาการแบบนี้คืออะไรเจ้าคะข้อสองควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็อุเบกขาไงท่าใจมันไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆเ็าเรียกว่าอุเบกขาก็พยายามรักษาอุเบกขานี้ไปให้ได้ตลอดตอนนี้มันอาจจะรักษาได้เดี๋ยวเวลาแฟนทิ้งเราจะรักษาอุเบกขาได้หรือเปล่า หรือเวลามีอะไรที่มากระทบกับของที่เรารักของที่เราหวงยังรักษาอุเบกขาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องกลับก็ต้องทำให้มันได้ที่ทำอุเบกขานี่ก็เพื่อที่จะให้ใจเราไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆตอนที่เรานั่งสมาธิมันไม่มีเหตุการณ์มาให้เราเดือดร้อนด้วยแต่เวลาเราไม่ได้นั่งเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะทาให้เราเดือดร้อน แต่ถ้าเรารู้จักทาใจให้เป็นอุเบกขาได้เราก็สามารถทำให้มันเฉยได้ค่ะคำถามต่อไปจากคุณวรพันธ์เวลาที่เรามีสติและสมาธิพร้อมแล้วเจริญปัญญาโดยการพิจารณาอสุภะโดยใช้ตาในดึงใบหน้าให้เป็นน้ำหนองเลือดเนื้อให้เน่าแต่ ปรากฏว่านักณะจิตนั้นทําไมการจับภาพใบหน้าทําไมพบความว่างจิตเลยเ ล, เลื่อนจากใบหน้าไปแขนแทนก็จับเนื้อหนังไม่ชัดเจ้าค่ะไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรและควรทําอย่างไรต่อไปก็ปัญญาเรายัางมีน้อยก็ต้องพยายามกําหนดมันมากๆขึ้นบ่อยๆขึ้นภาพมันยังไม่เข้ามาในใจเราเราก็ต้อง มันพิจารณามันให้มันเข้ามาอตาต่อไปมันก็จะตั้งเป็นภาพขึ้นมาได้ตอนต้นนี้มันยังเป็นค้ายๆเป็นของที่เรายังไม่มีในใจเราก็ต้องปลูกฝังมันขึ้นมาด้วยการหมั่นพิจารณามันอยู่เรื่อยๆนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆนึกปั๊บพอเราหยุดปั๊บมันก็หายไป เราก็ต้องนึกอยู่เรื่อยๆพอมันหายก็นึกขึ้นมาใหม่หายก็นึกขึ้นมาใหม่ทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะมันก็จะติดอยู่ในใจแล้วต่อไปพอมันนึกมันก็จะตั้ง ม, มันก็จะตั้งอยู่ได้ตอนต้นนี้มันยังไม่มีกําลังที่จะตั้งอยู่ได้นานา familia, เ, เราจึงต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆและเราสามารถพิจารณาได้ทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิ คามจริงตอนที่นั่งสมาธินี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเรานั่งเพื่ออะไรถ้าเรานั่งเพื่อความสงบเราก็ไม่ควรที่จะไปพิจารณาอะไรแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วหลังจากออกจากความสงบแล้วเราจะนั่งต่อเพื่อพิจารณาก็ทำได้ตอนนั้นก็ให้พิจารณาถึงรูป หรือภาพที่เราต้องการจะให้มันฝังในใจเราเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆนึกมันอยู่เรื่อยๆตอนต้นพอนึกมันก็โผล่ขึ้นมาพอเราหยุดภาพมันก็หายไปหายไปเราก็นึกขึ้นมาใหม่นึกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะติดเนื้อติดใจอยู่ในใจเราไม่ต้องนึกมันก็อยู่ yeah. จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบนามัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบเรียนถาม ถ้าเราถือศีลห้าและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอและถ้าเกิดเราเสียชีวิตไปสามารถปฏิบัติตามต่อในโลกทิพย์ได้ไหม่เจ้าคะจนถึงพระนิพพานโดยที่เราไม่ต้องลงมาเกิดอีกเจ้าคะ่ะขอความเมตตาเจ้าคะ่ะอ๋อมันต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปถึงจะปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเ น, นื่องแต่แม้แต่พระโสดาบันบางทีก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อ ไม่เกินเจ็ดชาติเพราะเวลาอยู่ในสวรรค์อยู่ในโลกที่มันไม่มีเหตุการณ์ที่จะมากระตุ้นให้เราปฏิบัติั mm ้น hmm. หนึ่งอาจจะมันถ้าอยู่สวรรค์มันก็เพลิดเพลินกับความสุขมันก็เลยไม่ต้องพิจารณาอริยสัจ ส, สี่อตถ้าไปอยู่อาบายมันก็ต้องไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ในอาบาย mm hmm. เพรฉนเวลาไปเวลาไปรับผลบุญผลบาปเวลาที่ตายไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราทําบุญหรือทำปฏิบัติธรรมไม่ค่อยได้ไม่ยกเว้นผู้ที่มีจิตใ จ, จที่แน่วแน่ต่อการปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติต่อได้เช่นพระโสดาบันถ้าตายไปแล้วเขาอาจจะเริ่มพิจารณาสุภะไปก็ได้ภายในถ้าเขาเคยพิจารณาสุภะเขาก็จะพิจารณาสุภะไปเรื่อยๆ แต่มันไม่มีตัวมากระตุ้นให้เกิดการกามาราคะการมาราคะ ม, มันจะต้องไปเห็นคนที่น่าดูน่าชม mm hmm. ก็ต้องมาเป็นมนุษย์ถึงจะได้มาเห็นคนที่เราชอบคนที่เราอยากได้เป็นแฟนอย่างนี้ mm hmm. เราถึงจะต้องมาใช้อสุภาพเพื่อดับความอยาก mm hmm. ได้เขามา ย, ยังไงก็ต้องกลับมาเกิดเม่ถ้ายัง <c oughs> แม้แต่เสวดาบัญยังต้องกลับมาเกิด mm hmm. ไม่เกินเจ็ดชาติ ถ้าสกิรดากามีก็ไม่เกินชาติเดียวเพราะเขาเริ่มมีปัญญาเริ่มเห็นสุภะแล้วเริ่มเบื่อหน่ายกับความสุขของร่างกายของคนอื่นพอพอเห็นเต็มที่เป็นพระอนาคามีทีนี้แหละถึงจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไม่มีความอยากที่จะเสพกามอีกต่อไปค่ะคำถามต่อไปจะคุณมีนา ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกสบายจนเรารู้สึกว่าหน้าเรายิ้มเองเป็นเพราะสติเราไม่แข็งแรงหรือเปล่าคะเราควรปล่อยไปหรือควรทำยังไงดีค ะ, ะมันจะรู้สึกง่ายๆรู้เฉยๆมันอาจจะไม่สงบเต็มที่ถ้ามันสงบเต็มที่แล้วมันจะไม่มีอาการต่างๆมาให้เรารับรู้จะสักแต่ว่ารู้เฉยๆอยู่กับความว่างไป ถ้ายังไม่ว่างก็พุทโธต่อไปหรือดูลมได้ก็ดูลมต่อไปหรือคอยควบคุมสติไม่ให้จิตปรุงแต่งมันปรุงแต่งก็หยุดมันค่ะคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เราบอกทุกอย่างกับคนที่เรารักแทนที่มันจะดีแต่มันกลับตรงกันข้ามแต่ใจเราไม่อาจเลิกรักเขาได้และกายเป็นการทำผิดแล้วทาผิดซ้ำาก มันเป็นความผิดมากจริงๆเหรือเจ้าคะและคนที่ทําผิดบ่อยๆแต่ไม่ได้ตั้งใจในความผิดที่เธอได้หยิบยื่นให้เขาไม่ควรได้รับการอภัยเลยหรือคะกราบขอคําแนะนะําค่ะเ อ, อ๋อไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจคําถามผิดอะไรก็ไม่รู้ค่ะ อ, อคุณเข้าใจอปะถ้าคุณเข้าใจลองอธิบายเราฟังหน่อยในคําถามคนนี้ยคำถามอะไรเนี่ย เขาพูดเรื่องอะไรเราไม่รู้เลยผิดอะไรก็ไม่รู้เขาพูดเรื่องความรักแล้วทำไมนะคือเขามีการทําผิดกันไม่ไม่ก็ไปมีโชกันเหรอไปมีชโวกันก็โกรธกันอะไยไม่ไม่แน่ใจค่าไม่อยากไปตีความให้เมื่อไม่บอกมาเราจะไปรู้ยังไงปัญหาอยู่ตรงไหนเขียนมาใหม่ค่ะค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะ ขอกราบเรียนจากคุณบ่องนะคะขอกราบเรียนถามครับหากพระอาจารย์ที่กระผมศรัทธาและมีเมตตาต่อกระผมมากท่านเทศให้เห็นความเบื่อเป็นไตรลักษณ์และท่านชอบเดินทางท่องเที่ยวทั้งในต่างประเทศท่านสอนให้ประหยัดแต่ท่านชอบช้อปปิ้งของราคาแพงท่านสอนให้เห็นความยากลําบากแต่ท่านชอบกุฏิที่มีแอร์และสะดวกสบาย ยอมรับว่าทำให้ศรัทธาของผมที่มีต่อท่านลดลงควรจัดการกับความรู้สึกอย่างนี้อย่างไรครับและจะสามารถเชื่อมั่นในคำสอนของท่านว่าจะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้ร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่ครับเพราะท่านก็มั่นใจในธรรมที่ท่านสอนและท่านก็มั่นใจว่าท่านไม่ได้ยึดติดในอะไรและสิ่งที่ท่านทาเป็นเพียงกิริยาครับ ก็เป็นสิ่งที่ท่านพูดแต่พฤติกรรมมันไม่ได้ตรงกับที่ท่านพูด <c oughs> คําว่ากิริยาเนี่ยเขาเป็นเรื่องที่เป็นเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่เป็นแบบ เ, เป็นอาจินเป็นนิสัยเนื้อกิริยาบางทีครูบาอาจารย์ดุดา่าว่ากล่าวเหมือนกับว่าท่านมีความโกรธอย่างนี้เขาเรียกว่ากิริยาอาอย่างนี้แต่ท่านไม่ท่านมีกิริยาเป็นกิริยาแต่ไม่มีความโกรธ ในขณะที่ท่านว่ากาวติเตือนแล้วแต่เราดูแล้วเหมือนกับว่าท่านโกรธแค้นโกรธเคืองเราอยากจะฆ่าเราอย่างนี้แต่ท่านไม่มีแต่เพียงแต่ว่าท่านต้องแสดงอาการอย่างนั้นเป็นกิริยาให้เรากลัวให้เราให้เราเชื่อว่าท่านพูดจริงท่า น, ทานนั่นเองอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นกิริยามันเป็นกรณีกรณีไปไม่ใช่ อย่างที่พูดไอ้ที่พูดนี่มันไม่ได้เป็นกิริยาแล้วมันมันเป็นการกระทําที่เป็นนิสัยขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นกิริยาพระพุทธเจ้าท่านไม่ไม่อยู่แบบนี้พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่อยู่แบบนี้ไปดูท่านแต่ละองค์ท่านอยู่แบบสมถะมากน้อยสันโดษ <c oughs> แล้วท่านก็ไม่ไปท่องไปเที่ยวอะไรท่านไปก็ไปเพื่อไปโปรด ไปสั่งสอนธรรมะท่านนั้นเป็นกรณีกรณีไป <c oughs> ส่วนใหญ่ท่านก็จะอยู่วัดมากกว่าใครอยากจะศึกษาอยากจะล่ำเรียนก็ไปศึกษากับท่านที่วัดเนี่ยเพราะฉะนั้นที่พูดมานี้ก็เหมือนแม่ปู่สอนลูกปู่ก็แล้วกันแม่ปู่สอนอยังไง ถึงมาจะพูดว่าแม่เดินตรงได้แต่แม่เดินเฉยก็อย่าไปเชื่อเพราะสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น<ม>ใช่ไออถ้าบอกว่านี่เป็นกิรลยาอย่างนี้ฉันผมก็เอากิรลยาแบบนี้ก็ดีเลยใช่ไหมมันไม่เป็นกิรลยาคำว่ากิรลยานี่มันเป็นอาการที่แสดงออกเป็นเป็นครัง้งเป็นคราวในขณะที่มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ จะต้องแสดงกิริยาอย่างนี้ออกมาแต่ไม่ใช่เป็นปกติไม่ใช่เป็นแบบปกติเป็นอย่างนี้ไปตลอดนี่อันนั้นไม่ใช่กิริยาแล้วค่ะต่อไปนะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามน้ำมศการครับอยากทราบวิธีดูจิตว่าตั้งมั่นหรือเปล่าเราจะดูได้อย่างไรครับก็ปฏิบัติสิลองพุทโธพุทโธไปอยู่กับพุทโธได้หรือเปล่าแค่นี้ก็จะรู้นะถ้าอยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็แสดงว่าตั้งมั่นไม่ได้ คำว่าตั้งมั่นก็ให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้อยู่กับพุโทโธได้หรือเปล่าอยู่กับลมได้หรือเปล่าให้อยู่กับความนิ่งได้เปล่าไม่คิดอะไรได้หรือเปล่าอันนี้เราเรียกว่าตั้งมัน่นค่ะต่อไปจากคุณธนวัตรกับพระอาจารย์ครับอยากทราบอานิสงส์ของการบวชถ้าเราไม่ได้ไปวันบวชเราจะส่งจิตอนุโมทนาไปได้ไหมครับจะได้บุญไหมครับเออถ้าไปเฉยเฉยไม่ได้อะไรหรอกไป ถ้าอยากจะได้ก็ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งทําบุญทําทานร่วมกับเขาไปบอยจากเงินถวายค่าน้ําค่าไฟให้กับวัดไปหรือถ้าไปแล้วก็ไปอยู่ปฏิบัติธรรมทักเคิลอย่างนี้ก็จะได้ได้บุญแต่ถ้าจะไปแบบไปงานเลี้ยงไปงานร่วมอย่างนี้มันไม่ได้อะไรละมันก็เป็นเหมือนกับไปงานเลี้ยงธรรมดานี้เองค่ะคําถามต่อไปจากคุณกิตติ กราบครูอาจารย์พุทธภูมิสำเร็จโสดาบันถึงอนาคตได้หรือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณไม่เข้าใจเรื่องคำว่าพุทธภูมิเำ่พุทธภูมิก็คือผู้ที่ต้องหาทางด้วยตนเองเพราะไม่มีใครสอนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี้ยต้องหาทางเองเพราะไม่มีใครสอนท่านก็ต้องหาทางไป แล้วทางที่จะไปมันก็ต้องเป็นขั้นไปโสดาส ก, กิดาคาอนาคามีอรหันไปเหมือนเรียนศึกษาตามระบบของปริญญามันก็ต้องไปตีโทเอกไปที่ต่างกันตรงที่ว่าเรียนเองหรือมีครูสอนสมัยนี้เราโชคดีมีครูสอนระดับ ปริญญาต่างๆเลยไม่ต้องไปค้นคว้าหาเองสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนระดับปัญญาของทางพุทธศาสนาคือสวดาบัญชกิดาคามีอนาคามีอาลหัน์ก็เลยต้องไปค้นคว้าศึกษาเองเขาเรียกคนที่ค้นคว้าศึกษาเองก็เรียกว่าเป็นพุทธภูมิคนที่เป็นสาวกภูมิก็คือไม่ต้องไปค้นคว้ามีโรงเรียนสอนแล้ว<ม>ก็ไปเรียนที่โรงเรียนง่ายกว่า ค่ะคําคถามต่อไปจากครูแดงค่ะการที่เรานั่งสมาธิแล้วมีสติรู้ตลอดเวลาเป็นการทำถูกหรือผิดครับก็สุขส่วนหนึ่งถ้ามีสติแต่ยังไม่สงบต้องให้มันนิ่งสงบเย็นสบายมีความสุขถึงจะถึงจะได้ผลเต็มที่ตอนต้อนกล้ายมีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับพุโทโธพุโทโธไป เดินอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอความคิดหยุดนิ่งสงบใจสบายมีความสุขพุโทโธก็หยุดได้นลมดูดหยุดดูลมได้ปล่อยวางทุกอย่างได้ไม่คิดปรุงแต่งสบายก็เรียกว่าสมาธิคำถามต่อเนื่องของคุณมีนาค่ะรบกวนสอบถามต่อจากเมื่อกี้ค่ะยังสงสัยนิดหนึ่งเรื่องนั่งสมาธิแล้วยิ้ม เราควรปรับหน้าเราให้ไม่ต้องยิ้มหรือเปล่าคะหรือจะยิ้มก็ปล่อยไป ม, มันเป็นความรู้สึกแช่เราจะไปรู้เรายิ้มยังไงเราไม่มีกระจกมองนะมันต้องเอากระจกมาดูเลยว่าเมื่อกี้ยิ้มหรือเปล่าหรือให้เอาตั้งกล้องไว้เวลานั่งสมาธิแล้วเวลาเกิดรู้สึกว่ามันยิ้มก็ลองไปเปิดไปเปิดย้อนหลังดูว่าเมื่อกี้เรายิ้มจริงหรือเปล่า ม, มันเป็นความรู้สึกจิตมันปรุงแต่งหลอกเรา หน้าตามันก็เหมือนเดิมแหะมันจะยิ้มไม่ยิ้มก็อย่าไปสนใจมันเป็นอาการของจิตปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อเราอย่าไปหลงไหลกับมันเดี๋ยวมันมันมันมันปรุงแต่งหลอกว่าหน้าเราเป็นผีขึ้นมาอันนี้ทาไงเดี๋ยวก็ต้องตกใจรียบลืมตา ม, มาดูกระจกว่าหน้าตาเราเป็นผีขึ้นมาหรือเปล่ า, าใช่ไหม อันนี้เป็นความคิดปรุงแต่งของจิตเหมือนตอนเรานอนหลับฝันมันก็ฝันไปได้ร้อยแปดพันประการเก็ปล่อยมันฝันไปอย่ที่เรานั่งสมาธิเราต้องการหยุดความฝันไม่ให้มันฝันไม่ให้มันคิดถ้ามันคิดก็อย่าไปสนใจหยุดมันด้วยการดูพุทดูลมไปพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองค่ะคำถามต่อไปจาก u t u b e นะคะคุณมีมี่การซื้อบ้านที่ถูกยึดจากการ ทนี่บ้านถูกนํามาขายทอดตลาดถูกกว่าราคาท้องตลาดและอาจถูกกว่าราคาที่เจ้าของบ้านซื้อมาเจ้าของบ้านอาจไม่พอใจในราคานั้นแต่ต้องการขายตาม แต่ต้องขายตามกฎหมายจะเป็นอกุศลหรือบาปไหมคะไม่เป็นเรกมันไม่เกี่ยวกับเราเรื่องบ้างของคนที่เขาถูกยึดมันเป็นปัญหาที่เขาเป็นเรื่องที่เขามีกับทางผู้ที่ให้กู้เขาเมื่อไม่สามารถคืนเงินเขาได้เขาก็ต้องยึดสมบัติที่เป็นหลักทรัพย์ให้ไปเพราะบ้านนั้นก็ไม่ได้เป็นของคนที่ที่กู้เงินแล้วเป็นของธนาคารหรือของคนที่ปล่อยกู้แล้ว นี่เขาจะไปขายในราคาไหนมันก็เรื่องของเขาถ้าเข า, เขาต้องการปล่อยเร็วเขาต้องขายมันถูกถ้าเขาต้องการราคาแพงมันก็อาจจะช้าเระนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการค้าขายไม่ไม่เป็นเรื่องผิดถูกดีชั่วตรงไหนซื้อมาขายไปแล้วแต่ตลาดถ้า มีคนอยากได้มากแล้วก็เรียกแพงได้ใช่ไหมบางเวลาเราขายสิบบาทที่มีคนมาขอซื้อกันเยอะๆแล้วขายยี่สิบมันก็ยังมีคนซื้ออยู่เรื่องอะไรไปขายสิบล่ะใช่ไหม ม, มันก็เป็นเรื่องของการตลาดไปค <c oughs> ่ะคำถามต่อไปนะคะจากไลน์ผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนักัสกาเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบเรียนถามถ้าเราถือศีลห้า และปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอและถ้าเกิดเราเสียชีวิตถามมาแล้วในข้อนี้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะตายเวลาจะไปปฏิบัติธรรมต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวสักู่ก็นเอะ อ, อ, อย่าเพิ่งไปรบกวนเขาะเราถามมาหลายข้อแล้ว<笑><笑>จากลายคะ่ะกราบนมัสการคะ่ะอยากทราบค่ะว่าถ้าเราตายภายในสามวันนี้จิตจะยังคงวนเวียนกับคนใกล้ชิดใช่หรือเปล่าคะ ไม่แน่แบบถ้าเราเบื medi, mmm um. ่อเราก็ไม่วนเวียนถ้าเราอยากจะทิ้งเขาอยู่แล้วพอตายเราก็ไปเลยแต่ถ้าเรายังรักยังหวงยังห่วงเขาอยู่อาจจะวนเวียนอาจจะเป็นมาเกิดเป็นตุ๊กแกในบ้านก่อนก็ได้เพราะห่วงคิดถึงยังไม่อยากอยู่ห่างไกลจากเขาแต่มาเกิดได้หนเดียวก็คงจะไปเพราะมาเป็นตุ๊กแกเขาก็ไม่ยินดีกับเราแะวพอรู้ว่าเขาไม่ยินดีเราก็น้อยใจเลยเดียวเราก็ไป คำถามต่อไปจากเ c e b o ๊ k คุณเกศชิปขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์คะขออ่านนะคะค่ะอย่ายาวยาวก็ตัดไปได้ไมไม่ไม่ยาวค่ ะ, คะกราบนมั ส, สการหลวงพ่อค่ะขออารัธนาหลวงพ่อทรงอิจบาทีลดำรงธาตุขันถึงหนึ่งกับมนุษย์พวกโยมขอสปอนเซอร์พระอุปถาก ข, ของหลวงพ่อได้ไหมคะจากโยมต้อยก็ไม่รู้ว่ า, วาอุปถาอย่างไงอุปถาด้วยคพูดและอุปถาด้วยการกระทำนะ ถ้าอุปถากด้วยการกระทําก็ต้องมาอยู่กับเราสิมาล้างบาทให้เรามาซักจีวรให้เราพาเราไปไหนมาไหนอยากจะไปไหนก็รับใช้เราเราเรียกอุปถากเดใช่ไหมถ้าอุปถากด้วยคําพูดก็แค่นี้ก็จบเขา อ, อุปถากแล้วก็จบค่ะหมดคําถามแล้วค่ะพี่อยากจะถามอะไรถามสมาธิเจ้าค่ะหลวพ่อ ของพ่อคะหนูนั่งสมาธิคะ่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าพุดโทไปตัวหนูเอียงแต่หนูก็นึกถึงคำพระอาจารย์ว่าไม่ว่าจะเอียงหรือจนจะเป็นสภาพใดๆก็แล้วแต่ขอให้พุดโทหนูก็นึกตรงจุดนั้นมาแล้วหนูก็พุดโทแล้วตัวหนูก็เอียง ในใจหนูว่าตัวหนูเอียงหนูก็พยายามว่าเออพูดโทต่อไปจนกระทั่งว่าถึงค่าวที่ว่าเราออกแต่เราก็พยายามว่าเออพอออกมาแล้วมันจะเอียงไมหมหลวงพ่อมันไม่ได้เอียงเจ้าค่าแสดงว่ามันคือหลอกเราใช่ไหมเจ้าขาใช่บางทีอาจจะเอียงมากนิดหน่อยทํานองนั้นอย่าไปสนใจ อย่าไปคอยปรับถ้าถ้าปรับท่ามันจะไม่ได้พุโทโธมันจะไม่ได้ภาวนามันจะไม่สงบเจ้า่ันหนูไม่ปรับเลยคาะหนูเข้าใจ ใ, ใจเอียงก็เอียงอะ่ะเอียงก็เอียงเจ็บก็เจ็บปล่อยมันไป <laughs> เราต้องการปล่อยวางร่างกายให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วใจไม่เจ็บแล้วไม่เดือดร้อน <laughs> แสดงว่าหนูโดนหลอกว่าเอียงโดนหลอกว่ายิ้มเนี่ยก็เหมือนกันนะ oh. โดนห ล, ล อ, อกว่ายิ้ม <laughs> วันหลังก็ตั้งกล้องวีดีโอไว้เสร็จวัน น, นั่งแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูซิว่ามันเอียงตามที่เราคิดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ออาแค่นั่นแหละค่ะคําถามต่อไปค่จะจากคุณจิรนันจิตคืออะไรเจ้าคะจิตคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี่คือจิตผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกร่างกายก็คือจิตจิตกับร่างกายเป็นคนละคนกัน นั่งกายเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเหมือนกับไมโครโฟนที่ไปรับภาพมารับเสียงมาจิตก็เป็นคนใช้กล้องใช้ไมโครโฟนรับเสียงจากกล้องจากจากไมโครโฟนมาอีกทีนึงถ้าไม่มีกล้องไม่มีคําไมโครโฟนจิตก็ไม่สามารถรับเสียงรับภาพได้จิตถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้จิตก็เป็นเหมือนตอนที่นอนหลับไป ตอนที่นอนหลับนี่ร่างกายไม่ทํางานใช่ไหมร่างกายหลับตาหลับหูหลับตาไม่รับรู้อะไรจิตตอนนั้นก็เลยไม่รู้เรื่องทางร่างกายก็เลยต้องไปอาศัยเรื่องที่เคยอัดไว้บันทึกไว้ในใจคือเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําในตอนที่เราตื่นนี่มันจะถูกบันทึกไว้แล้วก็ไปดูย้อนหลังมันก็เป็นความฝันขึ้นมาแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เราไปบันทึกไว้มาฝันมาดูใหม่ เพียงแต่ว่ามันจะฝันกลับกันไปทำร้ายเขาก็จะฝันว่าเขากลับมาทำร้ายเราไปทำดีก็จะฝันว่าเขามาทำดีกับเราถ้าเราทำดีนอนหลับก็จะฝันดีถ้าเราทำไม่ดีนอนหลับก็จะฝันไม่ดีเพราะตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้ร่างกาย เอาเรื่องราวต่างๆมาให้เราดูได้ฟังได้รับรู้ได้เราก็เลยต้องอาศัยเรื่องราวที่เราได้บันทึกไว้มาดูแทนเหมือนที่บ้านน่ยบางทีเราดูสดแต่บางทีไม่มีรายการสดดูเราก็ต้องดูอถ้าเรามีเทปมีอะไรเราก็เปิดดูอดูของที่บันทึกไว้ใจเราก็เหมือน เหมือนกันเวลาที่เราตื่นแล้วก็ดูสดเนีตอนนี้เราดูสดนะแต่เวลานอนหลับนี่มันไม่มีของสดให้ดูก็เลยดูของเต่าดูของที่บันเทึกไว้เป็นเป็นความฝันไปฝันดีฝันร้ายไปค่ะคําถามต่อไปจากคุณบัมบี้นะคะการที่เราไม่อยากทําอะไรที่ไม่ดีแต่เหมือนสถานการณ์บังคับให้ต้องทําความไม่อยากทํานี้ถือเป็นวิภวตัณหาไหมคะ ความไม่อยากทำมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันทามันเกิดแล้วทำให้เราทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นตัณหาถ้าทุกข์ก็เป็นตัณหาค่ะคำถามต่อไปจาก Facebook จากคุณสาลินีคนที่รักหมามากๆตายไปแล้ว อาจมาเกิดเป็นหมาใช่ไหมคะเอ๋อไม่แน่หรอหกการจะมาเกิดอาจจะไม่ได้เป็นหมาอาจจะเป็นแมวก็ได้แล้วแต่ว่าจังหวะ น, นั้นโอกาสที่จะได้เกิดเป็นอะไร ม, มันมันมีมันก็เอาเอากับโอกาสนั้นอาจจะไม่ได้เป็นแมวอาจจะเป็นนกหรือเป็นตุ๊กแกหรือเป็นจิ้งจกสุดแท้แต่ถ้ามันอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับหมาตัวนั้นมันก็อยากจะกลับมาเกิดให้เร็วที่สุดเนี่ยแต่การลักหมานี่ไม่ได้เป็นเหตุที่ทาให้เรามาเกิดเป็นหมา แต่การไปทำลายหมาเนี่ยอาจจะทำให้เรากลับมาเกิดเป็นหมาเพราะเราจะได้ถูกให้คนอื่นก็ทำลายเราบ้างสลับกันไปทำอย่างใดก็จะกลับมาได้อย่างนั้นค่ะ <c oughs> <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณวานนิดค่ะจิตสงบมีลักษณะแบบใดบ้างครับ มันก็แบบสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น่ะสีแดงเป็นยังไงก็เปิดตาดูสิหนึ่งตาดูดีกว่าอธิบายสีให้คนตาบอดฟังมันก็อธิบายไปก็เสียเวลาปะปะพุโทโธไปอยากจะรู้ว่าความสงบเป็นยังไงพุโทโธไปค่ะจากคุณวรวรรณค่ะถ้านั่งสมาธิชั่วโมงกว่ากว่าสองชั่วโมงแล้วไม่รู้สึกทรมานทางร่างกายอยู่กับพุทธโธได้ ขั้นต่อไปคือนั่งให้นานขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องนั่งแบบที่ไม่ต้องพุโทโธให้มันสงบคือถ้ามันถ้ายังต้องพุโทโธอยู่แสดงว่ามันยังไม่สงบนะยังไม่รวมยังไม่ลยังไม่ตกหลุมตกบอก่อต้องนั่งแบบให้มันตกลุมตกบอก่อแล้วมันนิ่งสงบแล้วมันก็จะสบายกว่าตอนที่พุโทโธตอนที่พุโทโธมันก็สบายแต่ถ้าพอไม่พุโทโธมันก็จะไม่สบายขึ้นมา อย่างถ้าเราแสดงว่าสติเรามันยังไม่มีกําลังพอที่จะดึงจิตให้เข้าสู่สมาธิได้ <Okay. S 1> ก็ต้องพยายามให้มีสติอย่างต่อเนื่องอย่าให้มันแวบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วมันจะเข้าสู่ความสงบได้คําถามต่อไปจากคุณแทนพระอาจารย์ครับตอนผมนั่งสมาธิแล้วน้ํำลายจะไหลแต่ไม่ได้หิว <c oughs> แล้วผมต้องคอยกลืนมีวิธีแก้ไหมครับ ผมไม่อยากสมาธิหลุดก็แบบเดียวกันนั่นแหละเจ็บบ้างคันบ้างน้ำลายไหลบ้างก็อย่าไปสนใจร่างกายเองบ้างซ้ายขวาบ้างไปข้างหน้าข้างหลังบ้างก็ปล่อยมันอย่าไปสนใจกลับมาอยู่ที่พุทโธเดี๋ยวก็จะลืมมันมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปเอมันไม่ไหลหล้วมันหลอกเราพอยิ่งไปคิดถึงมันมันยิ่งไหลใหญ่เลยแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดไหล พอมันคันพอไปคิดถึงมันคันมันยิ่งคันใหญ่เลยเอองั้นอย่าไปสนใจอของพวกนี้เป็นของที่มันมาหลอกมาล่อใจเราให้เสียสมาธิเราต้องบักหลักอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรเดี๋ยวใจมันก็จะปล่อยทุกอย่างไปแล้วไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้น <c oughs> ต่อไปจากคุณจรค่ะเมื่อจิตสงบตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับใช้มันนาน ทำบ่อยๆทำยังกระทั่งต่อไปเวลาออกจากสมาธิก็ยังสามารถรักษาให้มันเป็นอารมณ์เดียวได้โดยที่ไม่ต้องนั่งตอนตอน้ตนต้องอาศัยการนั่งก่อนพอเรานั่งให้รักษาให้มันเป็นอารมณ์เดียวได้แล้วต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็รักษาให้มันอยู่อารมณ์เดียวต่อไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดปรุงแต่งหมดคำถามแล้ครับอาจารย์ค่ะค่ะ เ, เดี๋ยวไมโครโฟนหน่อยก่อนอาสาธุพระอาจารย์เมื่อก่อนนิยมเคยนับปฏิบัติจนตัวเนี่ยเริ่มเริ่มเข้าที่ดีแล้วและระยะตอนนี้โยมก็ทําแบบห่างมั่งไม่ทํา ม, มั่งแล้วตอนนี้จะต่อเนื่องได้เหมือนตะก่อนนี้ได้ไหมครับค่ะก็ต้องทําต่อไปทําบ่อยๆทําให้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็ผลก็ต่อเนื่องเองถ้าเห็นไม่ต่อเนื่องผลก็ไม่ต่อเนื่อง มากร น, นิยมตามจนแบบว่าอย่างที่พอาจารย์ว่านางแล้วหายปวดหายเจ็บนโยมก็เลยมีแบบไม่สะดวกการนั่งก็เลยทำทำหยุด ๆ, ๆุดทำทำหยุด ๆ, ๆุดแล้วเริ่มที่จะคิดขึ้นมาทำอีก รอบนี้จะสายกันไม่สายหรอ ก, รอกไม่สายตับได้ยังมีชีวิตอยู่ไม่สายยังั้นทําไปเพียแ ต, แต่ว่าจะได้มากได้น้อยเท่านั้นเองเสียดายมั้งีเสียดายโอกาสอย่าไปเสียดายมันผ่านไปแล้วเสียดายก็ไม่กลับมาทําใหม่แล้วมันก็จะกลับมาเองไม่นะคะค่ะคำถามจาก facebook คุณแนนค่ะตอนที่เราโมโหเราเห็นใจเต้นตุบตุบตุบแล้วจะทําอย่างไรดีคะก็หยุดโมโหเลย พุทโธพุทโธไปเนี่ยพราะพอจิตมันมันมันโมโหมันก็เลยไปกระตุ้นร่างกายกระตุ้นหัวใจเลือดลมมันจะไหลแรงขึ้นฉีดแรงขึ้นพอเวลามันกอดนี้มันเตรียมตัวจะแอคชั่นแล้ไงมันเตรียมตัวจะทำร้ายคนอื่นแล้วนั้นมันก็ร่างกายหัวใจก็ต้องต้องต้องเพิ่มเหมือนรถเนี่ยถ้าจะให้มันรถวิ่งเร็วขึ้นก็ต้องเหยียบคันเร่งไงพอเหยียบคันเร่งนี้เครื่องมันก็เร่งทํางานมากขึ้น อันใดเวลาโกรธนี่มันจะไปกระตุ้นการทํางานของร่างกายถ้าเราไม่อยากจะโกรธเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวพอเราหายโกรธใจของเราก็กลับมาเป็นปกติค่ะคำถามจากคุณจีรนันจิตอาศัยแค่ร่างกายแล้วใครเป็นตัวกําหนดให้เราเกิดเป็นอะไรเจ้าคะตัณหาความอยากกับบุญกรรม บุญกับบาปกับตัณหาความอยากบุญกับบาปจะกำหนดว่าเราเกิดดีหรือไม่ดีแต่ตัวที่จะพาให้เรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากถ้าเราตัดหาตัดตัณหาความอยากได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดถึงแม้จะเคยมีบุญมีบาปมาบุญกับบาปก็จะไม่มีตัวมาเป็นตัวผลักดันให้มาเกิดแต่ถ้ามีความอยากแล้ว ตัวบุญกับบาปก็จะเป็นตัวชี้ว่าจะมาเกิดดีแล้วเกิดไม่ดีเกิดสูงหรือเกิดต่ำหมดแล้วยังหมดแล้วค่ะโอเคหมดเก้าแค่นี้ก่อนนะวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิตพ์ิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ